เดินปนนักปฏิบัติทุกคนนะถือว่าวันนี้เป็นโอกาสอันดีนะที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนากับเจ้าภาพนะโยมวันนสาที่สละบบ้านให้เป็นวัดสองสามวั น, <c oughs> นคำว่าวัดเป็นบ้านบ้านเป็นวัดตอนนี้ก็หมายถึง แม้แต่เป็นวัดเทมเพิลก็ตามถ้าไม่มีการประพฤติปฏิบัติมันก็ไม่ใช่วัดนะแม้จะเป็นบ้านถ้ามีการประพฤติปฏิบัตินะขัดเกลามันก็ถือว่าเป็นวัดเพราะว่าวัดมันอยู่ที่มันอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติตรงไหนก็ตามที่เราเหยียบลงไปแล้วเนี่ยมีความรู้สึกตัวใส่ความรู้สึกตัวลงไปตรงนั้นก็คือวัด ถ้าตรงไหนที่เราเหยียบลงไปแล้วไม่มีความรู้สึกตัวนะถึงจะเป็นวัดเป็นบ้านก็ไม่ใช่พื้นที่โดยประมาทแล้วไม่ใช่วัดมันเพียงแค่สมมตมิเฉยๆฉะนั้นบ้านหลังนี้สถานที่ตรงนี้อาจจะทำให้คนรู้ธรรมะเข้าใจธรรมะเห็นธรรมะหรือไม่ก็รู้ธรรมะด้วยการอ่านการฟังเห็นธรรมะด้วยการพึ่ปฏิบัติเข้าใจธรรมะด้วยการตัวพื่อปฏิบัติเองก็ได้ เรีว่าเป็นประโยชน์แก่เจ้าที่นะเจ้าที่ตรงนี้ก็คือทางตรงก็คือโยมบริ้ายอย่างนะเจ้าที่แล้วก็จริงจบตัวแกว้วเนี้มันก็ได้อันนี้สูงจากเราหมดนะเทน้ำวันนี้ก็ปฏิบัติกันมาก็เอาจริงเอาจังพอสมควรอยู่นะโยมอตุ่มใช่ไหมโยมตุ่มแล้วโยมตุ่มหรือโยมตุ่มเนาะโยมตุ่ม กับยมกับโย ม, ย ม, ย ม, ยมคุณหมอทิ่ปรันยังขาดคู่ขาไปนคนหนึ่งกับประเทศไทยโยมหมอกับประเทศไทยคนหนึ่งแล้วก็โยมพิมพ์โยมมณิสาก็มีเวลาช่วงบ่ายช่วงเช้าก็เป็นปากเป็นท้องให้เราฉะนั้นคือว่าการพื้ปฏิบัติ <c oughs> มันก็มีอุปสรรค โดยเฉพาะที่เราเห็นชัดเจนก็อ่าประมาณนั่งสังเกตดูตัวไหนจะมาก่อนวันนี้นะใช่ไหมนั่งสังเกตโยไปใม่ความง่วงไม่เท่าไหร่เพราะว่าเราพยายามคุมอาหารไม่ให้มันมากแล้วก็อย่างหนึ่งถ้าเราก็มันรู้สึกจะมาเราก็ไปเดินอะไรต่างก็ทําให้เราตื่นตัวยอยูอ่แต่รู้สึกว่ายม ตุ่มจะพาดไปนิดหนึ่งวันนี้หลับมากเลยค่ะเช้า น, นั่นแหละไม่เคยตื่นตีสี่เ<ล><ข> อ, อืม<า>ก็แล้วเรียกว่าวิบากรรมแล้วทีหลังก็กลับตัวได้นะคะบา ก, กรรมผลที่เราเคยตื่นสายเนี่ยตัวนั้นก็เรียกวิบากรามธรรมมาฝืนเนี่ยมันปุบ ป, ปับเปลี่ยนแปลงมันจะยากนิดหนึ่งคนไหนที่ชอบนอนกลางวันนึงคนนั้นจะทรมานมากเขาเรียกวิสัยเก่า แล้วก็สังเกต ด, ดูที่จะมาสังเกต ด, ดูนะความอหงุดหงิดคัดเครื่องใจเพราะอะไรเพราะาการปฏิบัติเนี่ยมันทําปฏิบัติอยู่กับที่ใช่ไหมคนเราเนี่ยมันไม่ชอบอะไรจํำจีนะใช่ไหมให้มันนั่งยกมืออยู่เฉยเนะนั่งเฉยถ้าเราไม่ถ้าเราไม่พยายามสอนมันตลอดเวลานะะนั่งอยู่ตรงนี้นะนะถ้ามันหงุดหงิดมามันเป็นอะไรถามมันเลยไว ทำไมถึงทุกข์ทำไมถึงอยากจะไปนั่นไปนี่ทำไมถึงอยากจะพูดอากจะคุยอยากจะเห็นอยากจะอะไรต่าง LEGO? ทำมันมันไม่มีคำตอบห ร, หรอกแต่มันอยากจะไปแต่มันอยากจะทําอย่างอื่นถ้าอยู่ใกล้หนังสือก็ここอยากจะอ่านหนังสือบ้างถ้าอยู่ใกล้ต้นไม้ก็ここอยากจะไปพรวน ด, ดินต้นไม้บ้างถ้าอยู่ใกล้ครัวก็ここอยากจะเข้าครัวบ้างถ้าเป็นอยู่คนเดียวอะไรตัวนี้นะหรือถ้ามีเพื่อนอยู่ใกล้ก็ここอยากไปคุยกับเพื่อนบ้าง ไปนิดหน่อยก็อะไรต่างวันนี้มันพยายามฉะนั้นชีวิตเราไม่ไม่ชอบอะไรจําเจที่เราหมอนั่งให้มันจําเจทั้งวันเนี่ยมันจะเริ่มอึดอัดขัดเคืองอึดอัดฟึด ฟ, ฟัดในตัวเองอะ่ะโอ้โหนี่ฟุ้งซ่านฟุงซ่านําคาญใจฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นธรรมชาติทีนี้เพื่อไม่ให้มันเพื่อไม่ให้เราออกไปเนี่ยท่านก็เลยบัญญัติให้เป็นให้เป็นกิเลสเป็นอุปสรรคให้เป็นอุปสรรคก็หมายถึงว่า เป็นตัวที่ดึงใจเราออกจากการพึ่งิบัติบัดนะเพราะอะไรเพราะพอเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยมันจะพยายามดึงนะเอาให้เกิดความเบื่อหน่ายสักอันเะกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็มันจะมาความลังเลสงสัยนะเนี่ยวิกวิกิจช้าจะมาด้วยมันทําไปทําไมมันทําถูกหรือเปล่าเท่าเราทําถูกหรือเปล่านี่ไหมทําไปเรื่อยแล้วก็ดึงกันไปดึงมามันถูกหรือเปล่าเนี่ย ทำแล้วจะได้อะไรกเกิดความลเลงสงสัยฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติใหม่เนี่ยไม่มีใครได้คําตอบหรอกเพราะอะไรเพราะอาช่วงระยะเดินทางามาเราฟังนะ่ช่วงระยะเราเดินทางเนี่ยเราก็ยังลังเลงสงสัยว่าทางนี้มันไปไหนมันจะไปถึงบ้านหรือเปล่ามันจะไปถึงจุดหมายปลายทางหรือเปล่าอมันมันจะเกิดอย่างนั้นตลอดแต่เราต้องอาศัยกระยาณิมิตมั่นใจกับกระยาณิมิต ที่ท่านบอกว่าปลายทางมันคืออันคือบ้านแน่นอนนะอย่างเงี้ยเราถึงจะมั่นใจถ้าเราไม่มีใครบอกว่าอ่าปลายทางมันคืออะไรเนี่ยเราก็ยังต้อ ง, งเลยสงสัยเดี๋ยวยกลับดีกว่าเดี๋ยวหลงทางอย่างเงี้ยไปเจอทางสามแผงสองแผงก็ยิ่งไปใหญ่เลยแล้วก็ยิ่งเกิดความอะไรกันแน่วะเนี่ยอันนั่งสงบดีกว่าไม่เราอะไรแนตะ่ประเทศไทยเขาทากันทั้งประเทศเราจะมายกมือทําไมเนี่ยเลยเจอทางสองแผงแล้ว เนี่ยจะเชื่อใครดีอะไรเนี้ยนะท่านั้นครูบาอาจารย์ก็บอกจุดหมายปลายทางก็เหมือนกันเห็นไหมวิธีการก็อาจจะต่างกันแล้วก็ว่าไปถ้าเราเกิดความลองเลสงสัยเนี่ยถ้าเรามีเชื่อมั่นในโคบาอาจารย์นั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะเกิดวิธิกิจฉาเป็นอุปสรรคให้เราขี้เกียจพอตัวนี้ปุ๊บเนึ่งความเบื่อหน่ายเข้มามาทันที อไม่ทำดีกว่าอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวก็นึกถึงบ้านนึกถึงอะไรมันจะเป็นตัวนั้นไปทีนี้อีกตัวหนึ่งที่สําคัญะสมาสังเกตดูปตัตตราวันนี้ไม่ใช่ไม่ง่วงนะวันนี้ก็เผลอแป๊บเดียวเหมือนกันทําไมถึงเผลอคนนั่งยกมือในช่วงเย็นวันนี้ดีช่วงเย็นช่วงฉันเข้าเสร็จใหม่ก็ไม่เท่าไหร่เราก็อาศัยเดินไปช่วงนั่งมันเพลินน่ะนั่งยกมือไปยกมือมา เลยเพราะนั่งอยู่ที่มุมมุมสังหารมันเปมาว่ามุมสังหารเพราะนั่งทีไรมันมันนุ่มดีนะเมื่อไปทุกทีหลังแต่พันทีนี้ยกไปยกมาเนี้ยมันเพลินมันเพลินขออย่างเดียวเราอย่าหลับตายให้มันะถ้าหลับตายมันเมื่อไหร่แล้วมันรู้มันดึงเราไปเม่อไหร่นะไม่หลับมันก็ยังจะพยายามดึงเราหลับอยู่แล้วยิ่งเราหลับให้มันอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมมันยิ่งไปใหญ่เลย แล้ราก็เผยอไปสองนิดหนึ่งนิดๆหน่อยๆก็พยายาม เ, าเดินตร ก, กลมตัวเนี่ยตรงดันั้นหนึ่งอย่าไปหลับตาให้มันแล้วสองมมันจะเกิดความก่อนจะมาความง่วงของคนเบื้องต้นหนึ่งจะเห็นชัดเจนออมันจะหนักมันจะน่วงใช่ไหมมันจะหนักนจะน่วงบางคนก็ปวดหัวอะไรก็มีนะเอาไม่อยู่ปวดหัวอะไรก็มีแต่ว่าความง่วงของ อขั้นต่อไปเราก็เราว่าความง่วงของจิตที่มันเผล อ, อถ้ามันเผลอนั่งพยายามดูมันนะดึงกลับมาดึงไปดึงกลับมาดึงกลับไปดึงเยอะไปเยอะมานนะัแต่พอดีเวลามันเข้ามาเนี่ยความง่วงเข้ามาเนยเราอินสติเราอ่อนรู้ไม่เท่าทันเนี่ยบางครั้งในความคิดเนี่ยกลายเป็นความฝันไปนความคิดไม่รู้มันฝันเมื่อไหร่แล้วมันเพิ่งตื่นก็มีตื่นมาแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน้วก็เราว่า จิตมันเริ่มได้สมาธิ เ, เกิดก็ความเมตตา ก, การปฏิบัติจิตได้สมาธิแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่อ่าไม่ยออ่อนะท้อนะครับทำไปเลื่อยๆทำมันไปโดยอาศัยหนึ่งความศรัทธาศรัทธาในวิธีการเขาเรียก ว, ว่าภาระศระัทธาศรัทธาภารอกํากลังของศรัทธาที่จะมั่นใจว่าทําอย่างเงี้ยมันต้อง อาจจะมาทําตอนแรกไม่ไม่เริ่มจากไม่รู้อิ๋วอิเหน่เหมือนกันนะทําแต่พอมันเกิดถูกคิดแค่ว่าเราทำอย่างนี้ทำเล่นทําฟังธรรมะไปฟังไปเล่นไปไม่ตั้งใจอะไรหรอกไม่ตั้งใจว่าจะได้จะดีไม่ตั้งใจว่าจะเอาอะไรหรอกปฏิบัติทําคืออะไรไม่รู้ด้วยเข้าไปเพื่อนเขาทําหมดเราก็ทําตามว้เฉยนะไม่ทําก็อายเขาใช่ไหมพระบวทใหม่ยกมทําไปทําไปทีนี้มัน ทำบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันจะเห็นมันมันเกิดได้มันจะเกิดจุดประกายของสติอ่ะมันก็เก็บเราไม่รู้ว่ามันได้นะทําไปเนี้ยทําไปฟังทําไปทําเล่นไปที่เพลินไปเนี่ยนะมันไม่ได้ตั้งใจอะไรเลยพอมันพอมันเข้าใจพอมันได้เนี่ยมันได้สติพอมันมีสติปั้นจะเห็นเรื่มเห็นความคิดเข้าความคิดเกิดความคิดดับเนี่ยโอ้เราเห็นพอตัวนี้มันจะ ไม่รู้ว่ามันดื้อได้ยังไงนะมันเกิดเรียกว่าได้อารมณ์ช่องว่างของมันอ่ะปุ๊บความคิดเข้ามาโอ้ความคิดเราเผลอคิดแล้วนะเออเอ้ยถ้าเราเผลอคิดนี่อปกติแล้วมันมันทุกข์ใช่ไหมมันทุกข์เพราความคิดมันเครียดเพราความคิดมันรู้เลยนะถ้าเราทําอยู่กับตัวเงี้ยเราจะไม่ทุกข์แล้วเนี่ยบอกมันจะรุ่นทีอยู่กับตัวความรู้สึกตัวเฉยเฉยเนี่ย ฉะเราต้องเราเพราะเราทุกข์เพราความคิดแน่นอนนี่นะแต่ก่อนเราทํำไมไม่เห็นตัวนี้เพราะอะไรมันจะรู้อ่ะเพราะโอ้แต่ก่อนเราอยู่กับความคิดตลวดเนี่ยพอได้จุดประกายนิดหน่อยตอนนั้นเนี่ยไม่ได้อะไรมากได้นิดหนยวยต่นนั้นมันก็เริ่มมาตั้งใจทํามากขึ้นนี่มันก็เริ่มตั้งใจนะถ้าเราขนาดเราทํำเรื่อนๆยังได้แค่นี้ใช่ไหมเหมือนกับเราหาของอะไรหาได้เล่นๆยังได้เยอะถ้าเราตั้งใจหามันจะได้แค่ไหนมันก็เริ่มมีกําลังใจเราลองทํารู้สิ ก็ยกมือก็เริ่มตั้งใจแล้ทีนี้ความคิดไปก็เยอเริ่มเยอะเหมือนกับโยมตุ่มวันนี้นะมันเยอะไปเยอะมันมาเยอะอ้นไปเยอนมาธรรมาว่าสนุกนะตอนแรกนะสนุกเยอะดึงไปดึงมาดึงไปดึงมานะมันสนุกทุกเบืองต้นนะแต่พอเวลามันเบื่อหน่ายแล้วกลายผูกความทุกข์อ่ะโอ้ยมันอะไรนักหนามเมื่อไหร่มันจะหยุดสักทีความคิดมันเริ่มดึงกันไปอ่าเริ่มมันเริ่มยาวขึ้นยาวขึ้นใช่ไหม โดยเพราะคนหนุ่มคนสาวเนี่ยความคิดเรื่องอนาคตจะเยอะคนแก่นเนี่ยอดีตจะเยอะโดยเพรา ะ, ะคนหนุ่มคนสาวคบ ค, คิดเรื่องอนาคตมันจะบุนเข้ามาจะเรื่องวิตกกังวลเรื่องอะไรต่างๆคนเนี้ยแต่มันก็เป็นความคิดอยนะ่างนั้นมันก็เกิดขึ้นทุกมันธรรมชาติทุกมันแต่ว่าเรารู้ไม่เท่าทันมันก็เลยมาตั้งใจเอาตั้งใจตั้งใจตั้งใจมันก็ได้ความจริงนะตั้งใจแล้ว สติมันมากขึ้นมากขึ้นจากเราเห็นความคิดแต่ก่อนเราโอ้ะมันคิดไปถึงไหนเราค่อยมันคิดไปสามบ้านสี่บ้านแล้วเงี่ยเราค่อยไปรู้โอ้มันคิดตั้งนานต้งเผลอคิดตั้งต้นไม้หายใจเข้าลึกสู้ทำไมกว่าจะรู้ตัวทีมันคิดไปไกลแล้วเี้เริ่มไม่ตั้งอยู่อย่างนั้น่ลม้มลุกล้มลุกล้มลุกอยู่อย่างนั้ น, นจนสติมันมากขึ้นมากขึ้นมันผมคิดจะสั้นเข้าสั้นเข้าเราตั้งใจนะ มันคิดว่ามันคิดจากไหนเมื่อกี้นี่เราคิดดินเสียงรถเราคิดจากเสียงรถไปถึงนู้นแล้วอคิดจะกลับม า, ากลับคืนมาทวนขึ้นมาเราคิดจากจุดไหนเราเริ่มใหม่ไปอีกคิดอีกมันเริ่มจากจุดไหนเริ่มจากอดีนเสียงคนพูดมันก็ปรุงแต่งเข้าไปอ่าไปถึงเรื่องอื่นอีกมันจากเรื่องนี้ไปเรื่องนี้เรารู้ว่าสถานมันเกิดไปเรื่อยโอ้เราคิดจากเรื่องนี้เริ่มใหม่ทวนมันอยู่งั้นแหะ ทวนตวนอ่าเดินอาศัยเดินหนักๆเดินจงกรมแรงเขาแรงเขาเร่งความเพียรก็เหมือนกับเรารีบอ่ะรีบตรงนี้หมายถึงว่าเรารีบหมายถึงว่าพยายามตั้งใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นให้มันไม่รู้จะถึงไหนไม่รู้ อ, อะแต่ว่าต้องชนะไม่ได้เพียงแค่ว่าจะต้องเอาชนะความคิดให้ได้นั่นเองมันจะต้องไม่เราจะต้องอยู่กับตัวปัจจุบันให้มากที่สุดอยู่กับสติให้มากที่สุด คิดแค่นั้นแหะไม่ต้องไม่ได้คิดว่าจะรู้ไม่คิดว่าจะเอาอะไรหรอกเนี่ยคือมนอันมันท้าทายชีวิตอ่ะใช่ไหมคนหนุ่มเขาชอบท้าทายนะบอกว่ามันคิดแล้วสู้บันลองดูอย่าไม่ได้ไม่ไม่ได้คิดว่าเป็นธรรมะธรโมะอะไรหรอกเพียงแค่อยากจะอยู่ยกับความรู้สึกตัวให้มากแล้วครูบาอาจารย์ไม่ได้บอกว่าจากปฏิบัติเก็บความรู้สึกตัวมากแล้วมันจะเกิดอะไรท่านไม่เคยบอกเลยนะท่านก็ไม่ค่อยพูดอะไรมาก มีแต่พานั่งปฏิบัติแล้วก็ฟังเทศหลวงพ่เทีย น, น, นตอนเยน็นไม่รู้เทศอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยแล้วก็วทําวัดสวดมนต์แค่นั้นแต่เราเราเพียงแค่อยากจะได้ไอความรู้สึกตัวนี้มากคนเองรู้แค่ว่าถ้ามันมีมากแล้วมันจะไม่ทุกข์เพราะอะไรขนาดเรามี น, น้อยขนาดนี้ยเห็นความคิดเข้าคิดออกเราก็ยังเราทุกข์เพราะความคิดมันรู้ได้แค่นั้นแต่เราจะพยายามอยู่ความรู้สึกตัวให้มากนะเพราั้นมันตรงที่ว่า เธอมีความเพียรเครื่องเผาบาปเห็นไหมตัวนเนี้ยที่พาสวดนี้ยอมีความเพียรเครื่องเผาบาปมีความรู้สึกตัวโทษพร้อมมีสตินพยายามทํามากขึ้นมากขึ้นอาศัยความเพียรทําไมตึองบอกว่าเราสวดเป็นนึ่ทําไมต้งบอกว่าเอกายโนมัคโคมันเข้าใจคําหนึ่งตัวเนี้ยทําไมต้องบอกว่าเอกายโนมโัมนคมมโคเพราะแต่วิธีไหนก็แล้วแต่มันจะรู้หลังจากนั้นนะมันจะรู้มันะไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็แล้วแต่นะ ถ้าไม่รู้จักถ้าไม่ได้เคยไม่เคยต่อสู้ความคิดตนเองไม่เคยไม่รู้ความเห็นไม่เห็นความคิดตัวเองไม่รู้ความคิดตัวเองเนี่ยจะไปทำอย่างไรมันก็ไม่ไม่ใช่ทางนี้แน่นอนนะไม่ใช่ทางนี้แน่นอนมันมีทางนี้คือต้องเอาชนะความคิดให้ได้แล้วก็รู้มันเกิดรู้ดับฉะนั้นเขาเรียกว่ารู้รู้เกิดรูดับเห็นทํำมากๆเข้ามากเข้าจนรู้ว่ามันจนรู้ว่าความคิดจะเกิดยังไงแต่จะรู้จากความคิดเกิดก็ต้องมี ต้องมีสัมปชัญญะตอนแรกเราจะไม่รู้ว่ามันเกิดออกความคิดนะเพราะมันเป็นธรรมชาติที่มันเกิดตลอดเวลาคะแต่ถ้าพอเรามีสัมปชัญญะปุ๊บเนี่ยช่วงมันทําไปแล้วมันได้ช่วงเรียกว่าช่วงได้อารมณ์มันจะเกิดช่องว่างที่มันเบามันว่างมากตรงนั้นน่ะอ่าแล้วก็ช่วงนั้นน่ยความคิดมันจะมันเกิดเราเห็นมันจะแผ่วเบามากมันจะคิดเรื่องอะไรเห็นเห็นเป็นชิ้นเป็นเรื่องเลยนะ เห็นว <con> <mind> <around> yeah. ่าม exactly. ันจะคิดเลยเห็นว่ามันจะเกิดขึ้นนะถึงเกิดแล้วคงมคิดก็มีก็ไม่มีกําลังเห็นจนมันเกิดจนเราจะคิดหรือไม่คิดก็ได้ขนาดนั้นนะะว่าฉันจะคิดก็ได้ไม่คิดก็ได้เรื่องเนี้ยเนี่ยถึงคิดก็คิดเป็นเขาเรียกว่าคิดแบบมีสตินะใช้คงคิดแบบความรู้ไปแต่ว่าอ่าถ้าเราไม่คิดก็ได้เราอยู่เฉยช่วงไม่ได้อารมณ์เนี่ยเขาเรียกว่าช่วงสัมปชัญญะ ถ้าเราทําให้มีมากแล้วเราจะมีสุขแค่ไหนแค่เราทําได้น้อยแค่นี้มันจะเกิดได้แค่นี้มันเป็นตัวกระตุ้นกําลังใจให้เราเนะียอันเนี้ยฉะนั้นอุปสรรคของหลวงพ่อท่านบอกว่าให้คุยเรื่องอุปสรรคของแต่ละคนก็เหมือนกันนะมันจะเริ่มจาก เ, าเรื่องของเรียกว่าอะไรลนะการ ม, มาฉันการมาฉันทะนะการมาฉันทะความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรส นะสัมผัสถ้าเราอยู่อย่างนี้มันไม่ค่อยอันนี้มันถือว่าสมบูรณ์แบบนอยากจะนอนบนเตียงก็ได้เดินไปก็ถึงจะเย็นมันก็อุ่นเพราะในบ้านใช่ไหมถึงจะร้อนมันก็เย็นเพราะอยู่มีฮิตมีแอร์อะไรต่างต่างเนี้ยมันก็เรียว่าสัมปชัญญะ เ, เรียกว่าสัปปะสัปปะยะฉะนั้นตัวนี้สัปปะยะคือความพร้อมของความพร้อมขอ ง, ข อ, งอาหารความพร้อมของธรรมะความพร้อมของสถานที่ความพร้อมบุคคลมันสัปปะยะมันพร้อมแล้ว แต่ว่าถ้าเราติดมันโดยเฉพาะอาตมาถึงนสังเกต ด, ดูนะอยาหาที่นั่งที่มันขแข็งๆหน่อยถ้านั่งโซฟาเมื่อไหร่รู้สึกว่ามันโอ้มันมันยังไงลองสังเกต ด, ดูนะนั่งโซฟานะอาตมานั่งปั๊มันจะย่อตัวเขาเย่อปุ๊บเลยพอดีเลยนะผ่อนรีเล็กสบายจากนั้นก็ยกมือไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงลแล้วเดี๋ยวก็ไปไม่รู้ไปเมื่อไหร่นักหัวก็หนักนโซฟาจะกนั้หาที่นั่งแบบ เก้าอีตตตออา้ตัวแข็งๆตัวเก้าอี้อาหารเราก็ได้โต๊ะที่รับแขกนั่งตัวนี้จะนั่งในเรียก ว, ว่าอะไรนะผ่อนมันไม่ให้เราง่วงได้ยิ่งนั่งบนที่นอนเราก็ยิงไปใหญ่เลยนะเ <c> ฮ <oughs> ้ยจะเหยียดซะหน่อยดีไหมอะไรตรงนี้เนะี่ยยิงหนุ่มๆซไหน่ยิ่งไปใหญ่เลยฉนะนั้นตัวแรกคือกรารมาฉันท์ทักความพอใจในรูปเสังกินรสตัวนี้ก็พูดให้ฟังให้เใช่หรอกเนาะ เราไม่ค่อยเราตั้งใจมาขนาดนี้แล้วไม่มีใครติดหรอกแล้วก็พยาบาทตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกมีว่าเดินยกมือไปก็โอ๊ยนึกนึกถึงหน้าลูกนึกถึงหน้าคนที่เราไม่ชอบใจเมื่อเกิดปฏิฆางหงุดหงิดใจมีบ้างไม่ค่อยมีใช่ไหมถ้ามีก็แผ่เมตตาแล้วว่าใช้พร ม, มิหารมาช่วยแผ่เมตตาให้เขาถ้าเป็นใบรุ่นนี่มีนะ วัยรุ่นพวกนักเลงมาปฏิบัติเนี่ยโอ้ยกุฏิพังหมดเนี่ยพมันอะไรมันมันเกิดขึ้นมามันมันตะฟึดตะฟัดมันยังไงไม่รู้นะอาตมาก็เคยเป็นนะเดินไปเดินตปแล้วก็ตีต้นไม้บ้างเอามันหมันใส่เอาอย่างเงี้ยโขกเสาบ้างให้มันเก็บแล้วก็หายมันเผือมันเองก็มี โดยพวกพวกนักเ ล, ลววงเนอะวกนี้จะแรงมากพวกพยาบาทอดีตมันชายขึ้นมาไม่พอใจใครแล้วก็นะตัวอะไรอีกล้ววิกิกิจฉาอุฏิจักกุจิจะแล้วก็ความม่วงเงาเฮานอ น, อนความลองเลสสงสัยและความพยาบาทความอะไรอีกตัวหนึ่งโยมวันนีซา ถ้าตัวลืมไปตัวนี้พวกนี้ก็เรียกว่าอุปสรรคออมันไล่ไปไล่ามามันก็ลืมนะที่จริงแล้วนี่พวกนี้นี่คืออนามาพูดหลายครั้งว่าพวกนี้ไม่ใช่อุปสรรคก็จริงแต่มันเป็นธรรมะเป็นธรรมารลมมันอยู่ในหมวดธรรมารลมนะ <c oughs> เลื่อนจากหมวดกายใช่ไหมปฏิบัติครั้งแรกอเห็นกายในกายเห็นกายในกายคืออะไรก็เห็นว่าเรามีความรู้สึกตัวน นี่คือเห็นกายในกายไม่ต้องไปพิจรารณามีตับไตเสีพุงอาการสารมีสองไม่ต้องไปพิจรารณาถึงน้ํำมูดน้ําเหลืองโอ้ไม่ต้องพิจารณาขนาดนั้นเพียงแค่รู้สึกตัวเห็นกายในกายคือเห็นว่ามีคนรู้สึกตัวนี่คือเห็นกายในกายทำความรู้สึกตัวไปเรื่อยชัดเจนเห็นกายในกายจากนั้นทําไปทํามาเนี่ยมันจะเห็นเวทนาในเวทนาเวทนาตรงไหนโอ้มันเดี๋ยวกด สุกเดี๋ยวก็ทุกสุขตัวนี้มาเอาเป็นสุขทางจิตแล้วกันนะทางกายไม่ต้องพูดถึงเพราะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติถ้านั่งนานก็เก็บก็ปวดใช่ไหมไปอยู่ที่เย็นมันก็ไม่สบายเนี่ยอันนี้ก็เท่าเท่าไหร่ต้องธรรมชาติต้องกายแต่ว่าพูดถึงใจคือความสุขตอนนี้เราตอนเนี้ยเรามีความสุขใจจิตมีความสุขก็รู้ว่าจิตมีความสุขสุขคเวธนาทุกคเวธนาอืออากาศเครื่องใจก็รู้ มันไม่มันไม่มันทุกข์ก็รู้อ่ะทุกขเวทนาคนเนอ ง, เองแล้วรู้จะเวทนานะไม่ใช่เวทนาทางกายส่วนมากเพราะส่วนมากวิธีการอื่นเนี่ยจะเน้นเวทนาทางกายจะให้ดูเวทนาทางกายแล้วให้ดับเวทนาทางกายตายเลยต่อมานั่งให้นั่งทีละสี่สิบนาทีห้าสิบนาทีวันที่สี่ที่ห้าให้นั่งได้ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยไม่ให้ขยับตรงเนี้หรือว่าให้ ให้ไปดูเวทนาทางกายให้ดูเวทนามันเจ็บมันปวดก็ให้รู้ให้ดูใครทนได้มากกว่าคนนั้นเก่งอลไรนั่นนะก็อันนั้นเป็นเวทนาทางกายมันไม่มันไม่หยุดหรอกแม้แต่พระุทธเจ้าก็ยังไม่หายทุกทางกายเลยเพราะอะไรเพราะร่างกายมันเป็นธรรมชาติทั้งมันนะสุดท้ายมันก็แตกดับสมรมดาแต่ว่าทางจิตทุกเราเนี่ยยมันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้อันนี้คือเวทนาทางจิตแล้วก็ทําไปอีกเนี่ยพเจะเกิดเห็นจิตในจิต เห็นจิตในจิตคืออะไรเอาอันนี้สูตรเจ้ายอของสติปัฏฐานสี่นะเห็นจิตในจิตคือตอนนี้จิตเรามีโทรศัพท์ไหมตอนนี้จิตเรามีโทรศัพ์โกรธใครอยู่หรือเปล่าตอนนี้จิตเรามีราคาหรือเปล่าตอนนี้จิตของเรามีความพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเปล่าโลงไร้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเปล่ารู้ท่อนเองเห็นจิตเห็นจิตในจิตนะอ่าตอนนี้จิตเราคิดอะไรท่อนะวิธีการนี้บอกอ๋อมันคิดช่างมันจะไปสนใจ ถ้าเรารู้ว่ามันคิดมันจะหยุดคิดเองใช่ไหมมาอยู่เขารู้สึกตัวมันคิดขึ้นมารู้คิดจุดคิดที่มันคิดพอเราไม่รู้คิดเนายเราก็หยุดโอ้บันอย่างนี้ถ้าเรเห็นจิตในจิตสุดท้ายที่ที่จะพูดหรฟังคือเห็นธรรมในธรรมก็หมายถึงอ่านี่แหละนี่วานทั้งหนะ้านนี้เป็นธรร ม, มะนะถ้าเห็นว่าจิตของเรานั้นพยาบาทอาฆาตใครอยู่อันนั้นก็เห็นธรรมในธรรมเช่นเดียวกัน ตอนนี้เห็นว่าเรากำลังง่วงเหงาหดหัวนะจิตใจจิตใ จ, จมันอฟองซาดลาคาญใจนฟงซาดลาคาญใจเนี่ยมันเห็นทำแล้วนะทำเกิดขึ้นแล้วทำมากเกิดขึ้นให้ดูมันนะไม่ใช่นี้จากธรรมะสมมติว่าคนเกิดขึ้นแล้วนี้มันก็เลยไม่เห็นธรรมทั้งทีนะมันแตมาพูดให้ฟังครั้งก่อนใช่ไหมวิธีการอ่าศึกษามะพร้าวอนะ่ะเกุฏิวัติ เหมือนกับคนเราปฏิบัติตอนแรกก็เหมือนกับผ่ามะพร้าวอ่ะตอนแรกสับมะพร้าวสับตรงไหนก็สับง่ายปฏิบัติได้แรกอ่ะอ่าก็มะพร้าวมีเปลือกใช่ไหมสับลงไปเจาะลงไปก็เจาะถูกแต่กินเนื้อมะพร้าวนะแต่เจาะไปถูกกรลาวเะพ้าตัวนี้แข็งเปลี่ยนใหม่เนี้ยก็เปลี่ยนไปสับที่อื่นอีกไปสับที่อื่นก็สับลงไปพอจับสับไปแล้วไปเจออเนื้อว่าไอ้กระาวเะ้าแข็งสซ้ำอื่น สับจดลอกมะพร้าวไม่ได้กินสักทีหนึ่งเพราะอะไรได้กิงแล้วเนื้อมันก็อยู่ใต้กะลานเนี่ยแล้วกะลาเขครอบอยู่อย่างดีเลยฉะนั้นเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยพอเกิดควบหรืออดการเครื่องใจอยากจะหนีไปทําอย่างอื่นอฟงซั้นเขาอยากไปไปทำอย่างอื่ น, ง, ง, นง่วงเหงาคนนี้ไปทำอย่างอื่นใช่ไหมแกมหายง่วงได้ริงตัวนี้คือทําให้เราต้องเจาะมันให้ได้ต่อสู้เจาะมันง่วงเหง า, งาด้วต่อสู้ แต่พอพอมันหลุดมันได้แล้วสว่างเลยนะโอ้มันลวกมันปร่งดีขั้นนึงเนี่ยถ้าคนไม่เคยทําเดี๋ยวทาะถ้าคนเคยต่อสู้มันแล้วผ่านมันได้โอ้จะสนุกนะถ้าต่อสู้มันจริงแล้วพวกง่วงเหงาหดหัเหมือนกันโอ้มาเอือดเครื่องใจแล้วโอ้จะเป็นจะตายให้ได้นะมันเวลามันเคยว่าเวลาเอือดมามันฟุ้งซ่านมาโอ้ยเรื่องอะไรมันเกิดขึ้นได้ยังไง พราะความคิดแต่เรารู้ไม่เท่าทันพรนั่งดูมันเอ๊ะมันเป็นอะไรทํามันให้นั่งอยู่อย่างนี้มันทุกข์ตรงไหนทุกข์ก็เปลี่ยนสิถ้าถ้ามันทุกข์ก็เปลี่ยนทางกายสิทุกข์ไม่ไม่ทุกข์แล้วทําไมมันถึงทุกข์มันทุกข์ใจบางทีมันอึดอัดหายใจไม่เรียกว่าอะไรอ่ะมันแน่นหน้าอกเลยนะบางทีมันอึดอัดมานั่งดูมันแล้วมันจะไปทําอะไรวันนี้หน้าที่เราคืออะไรหน้าที่คือปฏิบัตินะแล้ว เรื่องอื่นที่มันอยากจะทําให้กลับบ้านก่อนได้ไหมถึงเวลาก่อนได้ไหมเนี่ยมันมันก็ค่อยรับเหตุผลนะมันค่อยคลาออกถ้าเราทําต่อสู้มันถามมันบ่อยๆสุดท้ายมันหลุดมันเองเวลามันหลุดแล้วมันจะลุงจะปลกุกมันจะเรากระเทาะเอาถึงทะลุไปกระลาเพ้านั่นแหละแต่ทฤษฎีเขาใช้คําว่าเจาะบาดาลน้นําคนเจาะบาดาเลเนี่ยจะได้กินน้ําก็ต้องผ่านหินซะก่อนได้ไหม เจาไปแล้วไปเจอหินก็เพราะตอนนี้มีหินเจาะที่อื่นในพื้นโลกไปเจาะที่อื่นตลอดก็ไม่ถึงน้ำสักทีเพราะอะไเพราะมันไปเจอหินแล้วถอยเพราะฉะนั้นอาตมาเคยไปช่วยเขาเจาะบาดาลมันใช่อะไรเราถึงรู้วิธีการเขาเจาะพอเจอหินถ้าเจอหินเขาดีใจแล้วนะไอ้พวกเจาะบาดาลถ้าเจอหินเร็วเขาจะดีใจเพราะอะไรน้ําหยุดตื่นถ้าเจาะลงไปแล้วเมื่อไหร่จะเจอหินแล้วนี่ยโอ้ยสองวันแล้วยังไม่เจอหินเนี่รีบถอยไปเจาะที่อื่นแล้วน้ำมันอยู่ลึก เพราะว่าอะไรเพราะการปฏิบัติธรรมของเราเช่นเดียวกันถ้าปฏิบัติไปแล้วนี่ยสองวันไปถามว่าไงโ ย, ยมตุ่ม่วงหรือยังเฉยเฉยไอาจาจรย์เจอยมคิดไหมเฉยเฉยอยังอยู่ไกลนะอย่างนานถ้าปฏิบัติไปแล้วก็ไม่คิดนะพ่ออาจารย์ปฏิบัติมาสามวนันมันอยู่เฉยเฉยอยู่เนี่ยโอ้ต่อมาไม่รู้จะพูดอะไรนะ <laughs> ไปถามบางคนคนแก่นะ พาปฏิบัติธรรมไปไง่ายย่สองวันผ่านมาแล้วมันเฉยเฉยนะพระเจ้าไม่รู้จะคิดหรือไม่คิดไม่รู้จักมันเลยอยู่เฉยเฉยอยูนะอ่ด้วยจะให้อารมณ์ยังไงมันหมดคำพูดเลยเนี่ยถ้าเห็นยกมือถ้าเห็นใครปฏิบัติธรรมวันแรกโอ้ยง่วงเหงาอยากหลับจยนอนคนนั้นนะ่ะได้เรื่องเลยเดินเข้าไปหาให้อารมณ์เลยสู้นายายนะสู้นะเดินผ่านเปื่อปฏิบัตินะแต่มาไปทําทางถูกคนมาเลยนะตัดจากนี้ตรงนี้นา ย, ายายนะเดินอย่างนี้อย่างนี้สู้นายาย เดินอยู่ข้างยายก็เลยจะเดินเซก็ได้ไม่นานน่ะไม่เกินสองวันใหญ่กว่านั้ น, นล้วงอ๋ อ, อเลยคือมันจะเขาเรียกว่าได้อารมณ์โล่งปลงลสบายเลยเนี่ยนี่แหละถ้าดิ่งเจออุปสรรคเร็วเท่าไหร่ถ้าไม่หนีมันนะแต่ถ้าไม่เจอครูบ า, า อ, อาจารย์ก็มองอาจารย์อยู่หรือเปล่าวัาเนี้ไม่อยู่ ไ, ไปที่อื่นดีกว่า <laughs> ไม่เจอง่ายอย่างนั้นน ะ, นะถ้าเจออุปสรรคเร็วก็ อาศัยดูสู้มันตอนแรกสู้นะ่ะต้องมีความเพียรเครื่องเพาบาดนะมีความเพียรเท่านั้นนะไม่มีทางอื่นนะจะทำทางอื่นไม่ได้นะฉะนั้นมันวิธีการปฏิบัติบางทนมันแตกต่างจากท่านจะไปอ่านหนะังสือตาําลาเรียนรู้เป็นนั่งวิเคราะห์กันเป็นกลุม่มอย่างไงมันก็ไม่เข้าใจอยู่ดีแต่เก่งแค่ไหนก็ตามมันไม่เข้าใจเพราะอะไรมันไม่เจอสภาวะถ้านั่งปุ๊บนะ่ยมันไม่ต้องไปอ่านหนะังสืออย่างนะฉะนั้น คนที่เขาไม่รู้หนังสือทําไมถึงเข้าใจเดียวเพราะเพราะเขาเห็นสภาวะอาศัยความจริงตรงนั้นเลยเนี่ยความพิเศษของพุทธศาสนาตัวเนี้ยไม่ต้องไปอ่านจบพระตไตรปิฎกนะเพราะพระตไตรปิฎกนั่นก็เขียนขึ้นหลังจากที่เข้าใจแล้วไปเขียนที่หลังนะแต่ว่าไม่ได้ไปเขียนก่อนเข้ามาปฏิบัติตามนะแล้วคนปฏิบัติก็เพียงแค่คูค่มือทัานทําไปถูกไหมเผื่อไม่มีครูบาอาจารย์พาปฏิบัติก็ไปอ่านตำราเขาโอ้โหอันนี้นี่วรห้านะต้อง มันเป็นอย่างงี้นะปฏิบัติต้องไปเจอแน่นอนนะอันนี้ทําแล้วเป็นนิพพานูแล้วทําแล้วเป็นเห็นรูปเห็นนามเห็นอะไรอันนั้นก็คือแผนที่ปฏิบัติไม่ใช่ว่าส่วนมากไปอ่านไปเรียนแล้วก็ไปสอนคนอื่นอย่างนี้มันมันก็มันถึงไม่ค่อยนิเท่าไหร่ปฏิถิยชฉะนั้นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่สมาอยากจะพูดเนี่ยอยากจะพูดนะก็ดคือวิธีการปฏิบัติสมาถึงบอกว่า ถ้าใครก็ตามถ้าปฏิบัติวิธีการไหนก็ตามเนะี่ยถ้าไม่ได้ต่อสู้ความคิดตัวเองไม่ได้ต่อสู้กับนิวรณไม่ได้ต่อสู้กับอ่าเหมือนยมตุ่มเนะ่ะดึงมันดึงไปดึงมาเยอะไปเยอะมาสู้ไม่ใช่สู้วันเดียวนะสู้จนมันจะเบาบางมันเองอนะ่ะสู้วิธีการเดียวมีทางเดียวเนี่ยที่จะเห็นที่จะทําให้ตัวเองสงบได้ไม่ใช่ว่าไปนั่งปฏิบัติอ่านั่งปฏิบัติขอภัยใช้คําว่านั่งสมาธิ วงเล็บหลับตาเนี่ยนะแล้วก็ทารรมาพอสมควรอยู่ทำาย่นงนั้นเนี่ธรรมาถึงมาวิเคราะห์ทีหลังนะไปไปเก็บอารมณ์สิบวันอยู่บนเขามาเข้าใจโอ้ยอันนั้นมันเป็นการพักผ่อนทางจิตเป็นทำให้ใจิตใจสงบสบายนะมันแต่ไม่แต่มันไม่เกิดปัญญาสำหรับธรรมานะหรือหลายคนที่เพื่อนเขาทำด้วยกันนะ ทำแล้วมันสงบนะไม่อยากจะทำอย่างอื่นนะทำแล้วกลายเป็นคนเชี่งกลายเป็นคนที่ทําอะไรต้องนิ่ม ด, ดูดีต้องอะไรคือมันติดสงบอะ่ะแล้วก็อพักผ่อนเป็นการพักผ่อนทางจิตเพื่อไงจิตมันดิ้นรนพยายามให้มันหยุดให้มันหยุดให้มันหยุ ด, ม, ยดมันหยุดได้ก็นิ่งอนะสงบเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้วิธีการเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ทําจิตให้สงบนะตัวนี้ตัวนี้อันนั้นสงบจากความคิดนะ ต้องต้องดูความสงบอันนั้นสงบจากความคิดแต่อันนี้ไม่ได้สงบจากความคิดอันนี้อันนี้สงบจากอ่าเขาเรียกว่าอะไรสงบจากความทุกข์สงบจากความคิดที่มันปนไปด้วยความสุขหรือความทุกข์คิดยิ่งคิดมากปฏิบัติแล้วยิ่งคิดมากแต่ว่ามันรู้จะใช้ความคิดนั้นอย่างไรตนเองคิดก็ธรรมดาเลยคิดใชความคิดสบายๆแต่ว่ามันรู้รู้คิดอยู่ตลอดเวลาเวลาเราปฏิบัติแล้วเนนี้ มันฝึกเพื่อจะฝึกเพื่อจะไปใช้ความคิดนะฝึกเพื่อจะดูความคิดเห็นความคิดและใช้ความคิดได้ถูกและเวลากระทบมันไม่เป็นไปกับความคิดนะสงบตัวนี้นะท่านยึงใช้คำว่าสงบจากโทสักรือพิธีการพุทธศาสตร์จริงๆแล้วไม่ใช่สงบจากความคิดไม่ใช่สงบจากนิวรณ์อะไรอันนั้นเป็นขั้นต้นอันนี้คือสงบจากโทสักรสงบจากราคะสงบจากโมหะ เวลาเราทํางานทําการเรารู้ตัวในเวลาเรารูสงบจากสงบตสงบตรงนี้เขาเรียกว่าห่างไกลหรือปราศจากปราศจากโมหะถ้าเราทําอะไรเขาแล้วแต่เรารู้ตัวตัวใเวลาเราทำทำนี้รู้ตัวจิตเราตื่นตัวใเวลาเขาเรียกว่าสงบจากโมหะแล้วก็ถ้าเราทําไปแล้วจิตใจเราไม่มีความโกรธใครเขาเรียกว่าสงบจากโทสะแล้วก็เวลากระทบปั๊บเราไม่โกรธนะโอ้จิตใจเราจิตใจเรากระทบเรานั้นเนี่ยรู้สึกมัน ปุ๊บมันอึดอัดแล้วนีมันไม่พอใจเขาแล้วนเนี่ยทําให้มันสงบได้ไหมถ้าทําสงบก็ได้ก็เรียกว่าสงบจากโทสะนะแล้วสงบจากมันพอใจสงบจากอาการเมฉันทะพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสไหมถ้ามันทําให้สงบจากสิ่งเหล่านั้นได้ไม่ไม่ติดในรูปไม่ติดในเสียงไม่ติดในกลิน่นไม่ติดในรสเขาเรียกว่าสงบจากราคะการเมฉันทะอันนี้คือพุทธศาสนาคือสงบตัวนี้ แล้วว่าไกลจากกิเลสนะสงบจากกิเลสโซมจากตัวเนี้ไม่ใช่อสงบจากความคิดถ้าไอ้สงบจากความคิดนั้นไปทํานี่ยทำไมก็สันเสริญดีอยู่หรอกเราทำก็พ้นทุกชั่วคราวแต่ว่าถ้าเวลาโกรธเวลาเครียดเวลาไม่พอใจใครแล้วเกิดระเบิดออกมาคุมตัวเองไม่อยู่อันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ทางของพุทธศาสนาฉะนั้นคนเราจะหลงประเด็นตรงที่ว่าความสงบเนี่ยไปทําอะไร ถ้าถามร้อยทั้งร้อยนะามาถามนะปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรปฏิบัติธรรมเพื่อให้มันสงบเพื่อให้จใจสงบสมาวก็อสาทุกนะทำให้สงบได้จริงนะก็ทําได้เวลามันนั่งปฏิบัติเป็นจริงแล้วเข้าสมาธิได้มันก็สงบเปนจริงเนะี่ยมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยลนั่งก็รู้อยู่หรอกอิ่มแต่มันไม่อยากแก่ออกมาไม่อยากจะออกไม่ออกจากไม่อยากจะออกจากสมาธิมันอยากจะนั่งอยู่ตรงนั้นตรงนั้นจนตายอ่ะนะ มันอยากจะนั่งมันโอ้มันมันมีความสุขมันไม่อยากจะออกไปมันไม่อยากจะหยุดปฏิบัติมันไม่อยากจะกินไม่อยากจะถ่ายไม่อยากจะนอนเลยถ้ามันอยู่ในตรงนั้นได้นะมันโอ้มันอยู่ในผวังในความสุขอ่ะถามว่ามีความสุขไม่มีความสุขนั่งสมาธิอะติดสุขอะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าถึงพรมถึงออกมายากติดสุขกันจนบอกว่าไม่กินเลยได้ไหมทั้งชีวิตเนี่ยมันบอกว่างนั้นเนี่ยเวลามัน เวลามันได้อารมณ์มันะเวลาเขาเรียกว่าเข้าสมาธิไม่อยากจะออกมาเลยนะไม่อยากไม่อยากจะกินข้าวเลยชีวิตเนี่ยไม่อยากจะพูดกับใครเลยเนี่ยไม่ไม่อยากจะเห็นอะไรเลยไม่อยากจะลืมตาเลยไม่อยากจะลืมตาดูโลกเลยยากนั่งจนมันอยากจะนั่งถ้าเป็นไปได้มันอยากจะนั่งจนมันแห้งตายนะไม่ชีวิตอะไรมันคือถ้าอยู่ในตรงนั้นแล้วนะมีความสุขขนาดนั้น่ะแต่ว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไปได้ก็อนุโมทนา แต่ส่วนมากก็มันก็กลับออกมาเหมือนเดิมใช่ไหมกลับออกมาเหมือนเดิมก็ใช้ชีวิตประจําวันเกิดกระทบเกิดเห็นเกิดอะไรก็อ่าตอนแรกมันก็ระวังอยู่ระวังไม่ได้ไปมามันไม่เห็นความคิดตัวเองแต่เป็นแค่ระวังไม่ให้มันกระทบเฉยพวนนี้จะชอบสํารวมมากสมรรถะชอบสํารัสทำอะไรจะไม่อยากจะมองหน้าคนไม่อยากอะไรอยากแกะอยู่ในโลกส่วนตัวเนี่ยอยากแกะหลบอยากแกะหนีอยากจะหี แต่ว่าพอกระทบแล้วนี่น้อยนักจะเอาอยู่น้อยนักจะเอาตัวเองอยู่แต่นั น, เ, นเพื่อนหลายคนที่ไปจะสมาชวนพยายามดึงพยายามบอกสิเนล่านี้นะแต่ก็เขาเห็นว่าเรายกมือเขาก็ไม่เอาแล้วองหนึ่งองหนึ่งจะออกมาอเ ม, อเมริกาด้วยก็ทำไปอะไรผ่านหมดแล้วทำาีซขอวีซ่าเสร็จแล้ว เพราะว่าวัดป่ายกมือสร้างเยาวะนะเปิดไป New นิวซีแลนด์แล้วตอนนี้ไปอยู่ไปอยู่เนเธอร์แลนด์ไปไปอยู่นิวซีแลนด์ตอนเนี้ยตอนตนั้นน่ะนะก็ไม่มาเลยนก็น้อยจะทําอย่างนี้ได้ก็เราก็ไม่ว่าใครหรอ ก, ก็เป็นเป็นความเขาเรียกว่าเขาเคยทำเหมือนกันมาในคณะนั้นบาลต้องบอกว่าถามร้อยคนปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติเพื่อให้จิตใจสงบทั้งนั้นน่ะ เอาเอาต่อไปเราปฏิบัติร่วมกันนะแต่มาเคยรมคนเป็นร้อยเลยนะร้อยสองร้อยนักเรียนเอาต่อไปปฏิบัติทำร่วมกันเรายังไม่ได้บอกว่าทําวิธีการไหนมันนั่งขัดมสมาธิหลับตาปิ๊บก่อนแล้ว <c oughs> นี่นคือฟอร์มที่เขาบอกกันมาผูกฝังกันไปอย่างนั้นนะแล้วค่อยมาบอกแสังว่าเออเอาหายใจเข้าพุทนะหายใจออกโทนะหายใจเข้าสมาอะไรหายใจเข้าอะไรก็ว่ามันไปอีกทีหนึ่งแล้วก็บอกไปก็ <c oughs> ไม่ใช่ว่าไม่ดีก็ดีอยู่อกเรื่องนั้นน่ะ แต่ว่ามันเป็นมันไปถึงจุดหนึ่งมันเป็นทางตันของการของการเผยแผ่ลศาสนาเพราะอะไรกลายเป็นมันกลายเป็นเรื่องหุ่ลึกลับไปกลายเป็นเรื่องขังเรื่องศักดิ์สิทธิ์เอาละทีนี้กลายเป็นเรื่องขพิธีกรรมไปเนี่ยกลายเป็นเรื่องขังเรื่องศักดิ์สิทธิ์เรื่องสิ่งเหลืออื่นไปเรื่อยใช่ไหมจมตุ่มจมตุ่มเออกลายเป็นเรื่องของเทพเห็นเทพเห็นผีเห็นเทวดาไปหมด องล่างนั่นลานี่มาเนี่ยถ้าคือมันพูดอะไรก็ได้คนไม่เห็นด้วยอ่ะเพราะมันเพราะหลับตาเข่าไหมเพราะหลับตาพูดแล้วโอ้ยฉันฉันไปเจออะไรเห็นอะไรมาคนอื่นไม่เห็นด้วยแต่ก็เขาเห็นจริงก็เนี่ยก็แล้วแต่เขาแหละไม่ว่ากันหรอกคนเห็นจริงก็มีธรรมาก็ไม่ไปเสียดเพราะว่าเพราะว่าก า, าปรปฏิบัติเนี่ยมันเป็นมันมันเหมือนรถไฟสองรางในวิธีการนะสมถะรางหนึ่งนิพพสนา ลางหนึ่งสองลางนี้มันมันจะวิ่งคู่ขนานกันไปตลอดนะบางคนทําได้ทั้งสองทางก็บางคนที่ทําได้สองทางเนี่ยท่านไม่เน้นในทางสมถะท่านจะไปเน้นทางพิพิธศนาแต่คนส่วนมากจะเป็นเน้นแต่ทางสมถะเพราะอะไรเพราะเหยื่อมันดีเหยื่อแห่งการได้เจโตวิมุตได้ออรู้ความคิดคนอื่นหรือนเดาเรื่อคนอื่นลาบสักหล้ามันเกิเดเยอะ ถ้าเป็นทางของสมถะนะแต่มันก็วิ่งคู่กันไปนะั่นแหละพระเจ้ามีพระเจ้าเป็นต้นที่ได้สมถะทั้งสองหลงังพระเจ้าจะใช้เฉพาะตอนที่จะปราบพวกเดเดถีจะปราบพวกเจ้าลทัทธิจึงจะใช้ตัวสมถะอิทธิฤทธิ์ปราบนะแต่ถ้าสิ่งอื่นแล้วพระเจ้าจะไม่ใช้พระเจ้าจะเป็นผู้ที่มีสัพชัญญาตลอดเวลานะ พระเจาถึงบอกพิสูจทั้งหลายไม่ให้ใช้ด้านสมถะเพราะอะไรเพราะทำให้คนหลงคนไปติดสมถะแล้วเกิดอิทธิติดอิทธิปฏิหารแล้วนี่นะยิ่งญาติโยมทั้งหลายยิ่งไปใหญ่เลยผู้ที่เป็นด็อกเตอร์ทั้งหลายถ้าพูดถึงพระองค์นี้เกิดเดาใจโยมถูกสักครั้งหนึ่งโอ้ยสวายหัวเลยลนะหรือไม่ก็แสดงอิทธิปฏิหารให้เห็นสักครั้งหนึ่งแล้วก็ว ถือว่ายังไงล่ะเเรียกว่าดังเลยท่าน ด, ดังเลยใช่ไหมโปรโมทไปสุดไปใหญ่เลยแหละแต่สิ่งนล้นนั้นมันเสื่อมได้แต่ว่าศรัทธามันไม่เสื่อมด้วยก็กลายไปทําให้พระเสียไปเลยก็มีนะหลายท่านหลายคนพระดังๆประเทศไทยเราที่อ่าช่วงที่มันเกิดอิทธิอ่าปฏิหารได้เกิดได้แต่พอที่ เกิ ด, ดยมมาเยอะๆเข้ามันเสื่อมพอเสื่อมแล้วนี่ศรัทธาไม่เสื่อมด้วยกลายเป็นอ่าสุดท้ายตัวเองก็เสื่อมเองต้องก็ไปเป็นลือซีอะไรก็เยอะทุกวันเนี้นะฉะนั้นอ่าสิ่งเหล่านั้นก็อาตมาเขาบอกว่าเป็นรถไฟล่างคู่เนี่ยเราไม่ปฏิเสธแต่เราเห็นว่ามันไม่ใช่ทางที่จะทําให้เราพ้นทุกได้มีทางเดียวคือ่อาทางจะพ้นทุกได้คือทําตรงไงเห็นความคิดตัวเองเนะ่ะ ความทุกข์มันเกิดจากไหนเกิดเพราความคิดเห็นไหมกําจัดความคิดมันซีเรียสความคิดมันดีใจก็เพราความคิดมันทุกข์ใจเพรความคิดฉันเห็นความคิดระ ง, งับความคิดตัวเองได้หมดทุกข์ถ้าคนไหนระ ง, งับได้เร็วก็หายเร็วระ ง, งับช้าก็หายช้าคนไหนเกิดกระทบแล้วไม่ติดเลยก็เก่งนแต่ไม่ปลายทางมันเป็นอย่างนั้นนแต่อตามาใช่ไม่ถึงง่ายหรอกกระทบปุ๊บก็ยังตึ๊บเหมือนกันแต่ว่า นะก็รู้แล้วก็เห็นแล้วก็ปล่อยไดนะ้ไม่นา น, นเท่านั้นเองเส้นทางเนี้เป็นทางพุทธเจ้าองบอกว่าเป็นทางเพียงทางเดียวที่ซ้ำไปที่จะทําให้สัตว์หมดจดทําให้สัตว์บริสุทธิ์ได้บริสุทธิ์ตัวนี้หมายถึงไม่ใช่บริสุทธิ์ของพรหมจรรย์นะฉะนั้นพรหมจรรย์ของพุทธกับพรหมจรรย์ของพรามณนี่ต่างกันพรหมจรรย์ของพราม์เนี่ยโอ้ยเป็นคนที่ไม่เคยผ่านผู้ชายมาก่อนเป็นคนที่ทผุดผ่องแล้วพรหมจรรย์ของพราหม พระพรหมจันทร์องค์พุทธไม่ใช่พระพรหมจันทร์องค์พุทธคือเป็นผู้ที่มีจิตใจขนาด น, นั้นมันไม่มีความความโกรธความหลงมันก็นยมนั่งอยู่ตอนเนี้ยนี่คือเรงมาประเพริศระเพริศพรหมจานทร์คือตอนเนี้ยไม่ได้โกรธใครอยู่นะไม่ได้โกรธทางบ้านไม่ได้โลภอยากได้ของใครไม่ได้อะไรไม่ได้หลงเพราะอะไรเพราะเราจเจริญสติตลอดเวลาแต่มันก็เกิดได้ถ้าเราเผย ก, กนะนะเกิดได้เหมือนกันนะเกิดเนี่ย ทำอะไรไปแล้วเดินไปเดินมาเกิดไปสะดุดเขาอี่สดุดเลยโอ้ยทำไมว า, างตรงนี้อะคือไม่พอใจเองก็นล้วเกิดได้เช่นเดียวกันถ้าเรารู้ไม่ ท, ทันฉะนั้นสรุปยอดประเด็นวันนี้ที่เราเาให้ฟังก็คืออที่เป็นที่เป็นความรู้น่าจะเป็นความรู้ใหม่เพราตมาเขคือที่เราเให้ฟังก็คืออ่าความสงบของแบบพูดกับทรงแบบพาม์ตรงนี้นะรวมสงบแบบ พรามก็คือพวกลือสีชีพลยพวกสมถะทั้งหลายที่เข้าไปสู่ความสงบแล้วไม่อยากจะออกแต่มาตอนนั้นไปทําเนี่ยโอ้ยตั้งใจเลิกจากงานนี้ไปเรากลับไปถึงวัดเราจะเป็นปากฏนั่งใต้ต้นไม้เราก็เข้าสมาธิสมวันสามคืนไม่กินข้าวโอ้มันตั้งใจขนาดนั้นนะคือมันเข้าไปแล้วมีความสุขแต่พอเข้าไปถึงวันแล้วโอ้ยคอยไปเติร์ดดึงไปบ้างเอ้ยทีวีดึงไปเอ้ยโยมมาดึงไปเอ้ยหาย ไม่อจะจากนั่งก็อยากจะนั่งอีกแล้ยแต่ก่อนจะนั่งก่อนจะเข้าถึงตัจ น, นได้มันก็ทรมานบางคนอยู่เวทนาต่อสู้ก็เวทนาจนจ น, จนมันไม่รู้จะปวดยังไงนะน่ะเะมัอนถึงจะเข้าสู่สมาธิได้มันก็เหมือนกับมะพร้าวเนี่ยเวทนาตอนนั้นนะเวทนาทางกายนั่งปุ๊บว้าทรมานทีนี้เราเป็นคนที่นมาทําเคยทําทุกมือสร้างอยูว่วะไปนะ มีสติหน่อยมันก็เข้าใจไปเข้าใจตัวหนึ่งว่าโอ้ล่างกายเราเนี่ยมันถ้าใครเข้าใจรูปเข้าใจนานจะเข้าใจตัวเนี้ยโอ้ยไอ้ล่างกายเนี่ยมันก็คือรูปมันก็ต้องมีหน้าที่เลือดหมุนเวียนไปในมันพอพูดเมื่อคืนนี้นะเลือดก็หมุนเวียนธรรมชาติทํางานของมันตลอดเวลามันทํางานจนตายถ้าเราไปนั่งอยู่อย่างเงี้ยก็เหมือนเราไปนั่งทับเส้นเลือดมันก็น้ําที่มันไหลมาจากแม่น้ําเราไปกั้นซะมันก็มันก็เรียกว่ามันก็ เกิดอุดตันใช่ไหมมีอะไรอุดตันก็มันก็บีบตัวพอบีบตัวก็เก็บก็ปวดใช่ไหมเลือดไปเลี้ยงส่วนที่มันจะควรจะไปไม่ได้เลือดไปเลี้ยงส่วนที่มันจะไปไม่พออย่างเงี้ยเพราะว่าไอ้หัวใจมันก็กระตุ้งตลอดเวลาเลือดก็ต้องฉีดตลอดเวลาใช่ไหมต่อไปนั่งทับนั่งกดมันซะมันก็ปวดทีนี้ยโอ้โหแต่ไม่ยอมนะบางคนก็ปวดก็ช่างมันทนมันปวดก็ทน มันก็บีบมันก็ร้อนมันจะร้อนหมดเลยนะมันจะร้อนหมดปวดหมดถ้าโยนนี่ถึงแล้โอ้สบายแล้วมันโล่งมันกับท่อน้ํามันปูเลยนะนั่งต่อแต่ถ้าไม่โยแล้วก็นั่งนั่งจริงๆแล้วมันก็หายเหมือนกันไม่ใช่ไม่หายนะนั่งป่วยปวดปวดไปถึงที่สุดแล้วมันก็หายเหมือนกันนะแปรปวดจนโอ้ยเหงื่อไหลเลยนะมันปวดมากน่ะปวดเหงื่อไหลพอมันหายมันก็ ก็ค่อยๆชั่วแต่ว่าถามว่ามันหายไหมถามว่ามันหายตลอดไปไหมมันไม่หายมันนั่งเมื่อไหร่ก็ปวดอีกเมื่อ น, นั้นเพราะอะไรมันเป็นธรรมชาติของกายมันฉะนั้นคนจะพ้นทุกข์ไม่ได้พ้นทุกข์เพราะกายเลยเห็นไหมพ้นมันจะพ้นทุกข์เพราะไก่มีได้อยู่บําบัดทางกายคือหิวกินอิ่มเนี่ยกายพ้นทุกข์ร้อนอุดอักไปอาบน้ํากายพ้นทุกข์เห็นไหมอะไรอีกพ้นทุกข์ทางกายนี่ ขับไทยเอปปอปวดหนักไปกับไทยก็เรียกว่าสุขข า, างไงบ้านเราสุขข า, าเข้าสุข้า <นะ S 2> ที่ปวดทุกข์มันก็พ้นทุกทางกายปวดหนกักปวดเบาพ้นทุกทางกายอันนี้คือมันพ้นทุกข์ของมันเราบอบบัติจักรวาลได้แล้วท่านจะเป็นผู้วิเศษแค่ไหนมันก็เป็นอย่างนี้ตลอดพระพุทธเจ้าทั้งก็ทั้งกายเช่นเดียวกันรองพระพุทธเจ้าไม่ถ่ายเสียหนตายไหมนะทุกข์เหมือนกันเนี่ยเนี่ยฉะนั้น ที่ประเสริฐก็คือมันทุกทางใจเราทํายังไงส่วนเองฉะนั้นในพิธีการนี้มันแตกต่างจากเทวดาวคืออาตมาเล่าให้ฟงคือมันพ้นทุกเพราะเราเห็นความคิดห่างจากกิเลสตรงนี้คือห่างจากโทสะโมหะโลภะคือเห็นมันแต่ว่าาเราสัตมหาสติทํามากๆนี่มันพ้นทุกไหมอาตมาลองแล้วไม่พ้นทำสติความรู้สตัวไม่พ้นนะ มันจะพ้นเพราะอะไรทําไปแล้วมันจะเกิดปัญญามันจะเกิดตัวไหนเ่ะเกิดมันจะเกิดตัวเห็นความไม่เที่ยงอันที่จังทุกขังหน้าตาก่อนพอเห็นอนทีจรงทุกขังหน้าตาแล้วเนี่ยพอเห็นตัวสุดท้ายเป็นหน้าตาปั๊บเนี่ยมันก็เห็นความไม่เห็นตัวตนของเราเห็นพอเห็นหน้าตาปั๊บจะเห็นสมมติทันทีเลยไม่มีตัวเราแล้วสิ่งอื่นมีได้ไังไงก็สมมติขึ้นอย่างนั้นเน่ยเห็นไหม สมมติมันก็เริ่มรู้จะสมมติแล้วเรารู้สมมติพอเริ่มรู้สมมุติมันก็เริ่มปล่อยวางได้ใช่ไหมถ้าเราไม่รู้สมมุติหรือไม่ยังยึดมั่นในตัวตนเมื่อไหร่ก็อันนี้ก็กุ่มมออยู่นะอ่าที่บ้านก็ยังมีแม่อยู่นะอันนั้นก็ยังมีเพื่อนอยู่นะนี่ถ้าดังมีเมื่อไหร่ก็ถือว่ายังทุกข์เมื่อนั้นนั้นปฏิบัติบ้างต้นเท่านถึงให้ปฏิบัติบ้างต้นเนี่ยนะท่านถึงให้พยายามละปริโพ์เทสไง ป ร, ปริพ ooth ปริพ o อืมความห่วง อ, ะ, อะไร <c oughs> คือ <c oughs> เรียกว่าเริ่มแรกคือนึ่อาวาตปริพ o o มา <c oughs> คิดถึงบ้านโอ้ยคิดถึงบ้านมันมีใครจะของยังไม่เก็บเลยตรงนั้นมันจะปิดหน้าต่างให้หรือเปล่าวะเนี้ยประตูไม่ได้ล็อกคนจะเข้าไหมโจรสวัเข้าบอกเ ถ้าเป็นห่วงอยู่ยงั้นมันจะปฏิบัติไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันจะเนือ้อผัววงตอดเวลาแล้วก็ต่อมาก็เป็นบุคคลบริโภทนั่นก็โยมตุ่มนะว่าเป็นห่วงล้านเป็นห่วงลูกว่มันจะกินยังไงมันจะอยู่ยังไงนะ ไ, ไหมห่วงอนาคตเขาเรียกว่าห่วงบุคคลบริพุทธบริพุทธพักตัวบุคคล ห, ห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ห่วงสามีภรรยาก็รู้้ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ล่ําเวลา ก, กันฉะนั้นพวกนี้พระเจ้าจะไม่ให้บวช ถ้ายังไม่ลากันจะมาบวชเป็นพระใช่ไหมเธอมีใครมีพ่อมีแม่ไหมบอกหรือยังเป็นลาหรือยังพ่อแม่ตายหมดแล้วป่ะเจ้าคะแล้วมีใครมีภรรยาสามีไหมจะมาบวชมีเป็นลาเขาเลยยังเนี่ยต้องเป็นลาถ้ายังไม่มีใช่ไหมมีพี่มีน้องมีน้องชายน้องสาวไหมก็ต้องเป็นลาเนี่ยถ้าไม่งั้นมันจะมาบวชมาปฏิบัติเริ่มปฏิโพศแล้วเริ่มปฏิโพศมันสู้เวทนาทางจิตไม่ได้มันก็จะออกไปทีเนี้ย ฉะนั้นปริโพศพวกอาวาสปริพศที่อยู่ปริโภศแม้แต่เรื่องโรคภัยปริโพศก็เช่นเดียวกันนะพวกแม่มาไม่ไดเอายามาเลยเนี่ยเราเก็บท้องโรคประจําตัวเอายังไงกลับบ้านดีไม่ก็เลื่อนไปแล้วเนะี่ยฉะนั้นพอไปปฏิบัติไปจุดหนึ่งแล้วเกิดความเบื่อหน่ายแล้วเนี่ยไม่ใช่เบื่อหน่ายชีวิตนะมันมันอึดอัดขัดเคืองมันเบื่อหน่ายมันเซ็งะ มันจะหาทางออกมันหาเขาอ้างแล้วไม่สบายแล้วยาไม่ไดเอามาไปบ้านดีกว่าหน้าต่างไม่ได้ปิดประตูไม่ไดล็อกกลับบ้านดีกว่าเนี่ยมันมันสารพัดต่อที่จะมาอ้างอะเหตุผลมันดีดีก็คือมันนั่นแหละเรานั่นแหละที่เป็นมันถ้าเรารู้ไม่เท่าทันมันก็เป็นเราใช่ไหมถ้าเรารู้เท่าทันเนี่ยมันก็เป็นเราแต่ถ้ารู้ไม่เท่าทันเราก็เป็นมันทันที กลายเป็นอะไรต่างๆไปเรื่อยๆฉะนั้นถึงพยายามตัดบริโบทจนนั้นออกในการบริบทบางต้นนะฉะนั้นเนี่ยตัวเราจะทำไงถ้าอย่างนี้ยังเป็นห่งหลานสมมุตินะออืื้าถ้าเราตั้งใจแล้วนี่ถ้าเราตั้งใจแล้วถามว่าเราพระุทธเจ้าท่านถึงใช้คําว่าอธิษฐานบารมีไง แม้แต่เลือดเนื้อเราจะเหี่ยวแห้งไปเราจะไม่ลูกจากที่ตรงนี้ไอ้ฐานบา ร, รมีมาช่วยอย่างเช่นเราจะมาปฏิบัติที่บ้านโยมบริษอาสามวันต้องอยู่ให้ได้สามวันอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องอยู่มันจะนึกถึงไอ้ฐานบา ร, รมีทันทีสัจจะบารมีอธิษฐานปรรั๊บถ้าเราทําได้ตามอธิษฐานเร็วเป็นสัจจะบารมีบา ร, รมีสิบเราม่ใช้หมดวเวลาปฏิบัติอะถ้าเราไม่ถ้าเราไมา่ามาอธิษฐานปั๊บเนี่เดี๋ยวพยามารยกทัพมาแล้ว พยพญามารที่ปยกทัพมาหาพระเจ้าไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนอะไรหรอกนะพระเจ้านั่งพอพระเจ้าอิฐฐานปับนะ๊บเห็นไหมแม้่อจะเลือดเนื้อเราจือแห้งเอาจริงกับมันแล้วเนี่ยอ่าเลือดเนื้อเราเจือแห้งไปก็ตามเราไม่รู้จากที่ตรงนี้ตายก็ให้มันตายอยู่ที่ต้นศรีมาโพตรวนี้นั่งกําหนดดูตัวเองไปธรมาว่าพระเจ้าไปได้นั่งหลับตานะอาจจะนั่งลืมตาเพราะว่าสังเกตดูองค์ปรางคตัดสรุพระเจ้าคนนั่งทอดพระเนตรลงต่ําจะไม่จะไม่มองไปข้างบน ไม่ใช่ว่าเนอะมองยกมือสักว่ามองด้านต่างโนตุ่มนะมองดูวิวสวยๆแต่ทำว่าจะเดินไปปิดม่านให้อยู่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ได้สักแต่ว่าเห็นไม่มัไจะสมกมันมะสม่นม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่มันม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไมม่ไม่ไ มันจัดพรมันดูเบาบาเบาสมัยดีนะได้ทั้งวันเน่ยมองดูวิวอ่ะแต่มันจะสติมันจะไม่เจริญมันจะจิตเลยออกนอกต้องอาตมาต้งบอกว่าเวลาปฏิบัติตามองดูโม่ดูกับพื้นให้มองที่อื่นคนจะเดินผ่านไปมันไม่สนใจมันจะยกมือดูอย่างเงี้ยตลอดเวลาเนี่ยมันอย่างน้อยเราปิดตาได้แล้วข้างหนึ่งแล้วไม่ได้ไม่ต้องหลับนะแต่แต่เป็นแค่กำกําหนดขอบเขตมันนั่นเองมันอยากจะมองรู้แล้วเหมือนมันอยากจะมองก็เดินมามันอยากจะมอง เห็นมันทันทีเลยเห็นจิตมันออกแล้วมันทำนามันไหมสมนามนเลยดังนั้นพอพระเจ้านั่งปฏิบัติอิธานปับน๊บแล้วเนี่ยถ้าพระเจ้าไม่ทําตามอิธานเนี่ยเสียสัจจ์ตัวเองที่ข้ามาสัจอิฐานกับสัจจะมาพร้อมกันถ้าทําตามอิฐานได้จะเป็นสัจจะพอดีนั่งปุ๊บเนี่ยพระเจ้าก็นึกความคิดมันไม่ความคิดไม่อยู่กับที่ใช่ไหมโอ้ตั้งเราโศตายที่ตรงนี้แล้วเนี่ย เอาจริงเีรยเริ่มเราเลยสงสัยแล้วอตอนนี้สุดทัวร์นะพ่อของเราก็พ่องเราก็แก่แล้วนะใครจะคลองกลาดแทนเราจะเป็นคนอัตันยูไหมเริ่มมาแนละ้วเทพบุตตมานเนี่เทพปบุตรมานีน่มาใ น, า เ, นเชิงคุณงามความดีนะโอ้ยพ่อเรานึกถึงพ่ออยากไปตอบแทนบุญคุณพ่อไปดีไหมเราทํามาเอาหลายปีแล้วทรมานมาจะตายทเฉยเฉยเนี่ยเห็น ไ, ไหม เราเทียบปุบรัมน์มาก็แล้วกแล้วก็เออไม่เป็นไรเราตัดสินใจแล้วเอาอีกเนี่ยหายไปแล้วพ่อหายไปกลายเป็นลูกมาแล้วโอ้ยลูกลาหุ่นเราพึ่งหกขวบเก็ดขวบตอนนี้กาลังหยดหนาละ ก, กาลังตอนนี้การศึกษาใครจะดูแลเกิดลูกขาดพ่อเป็นลูกกำพ้าเขาจะถูกประนมามเริ่มอีกแล้วความคิดนั้นมาอีกใช่ไหม อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะขันขันธรรมานหรือเปล่าการปรุงแต่งเรื่องคนอื่นโอเออตอนนี้ไม่ใช่ขันธรามันแล้วก็อภิสกขันธรรมานขันธมานคือเกี่ยวกับร่างกายนั่งเราจะเก็บปวดเราตายจริงๆนั่นเนี่ยเราเป็นห่วงกลัวตายเราละขันธรรมานกลัวตัวเองจะเก็บจะปวดขันธรรมันโศสารขันห้าถ้ากลัวตายเรียกว่ามัจจุมาน ือกว่าตายเนะี่ยนั่งแล้วมันยกทัพมาหมดนะพวกมารทั้งหลายเนะี่ยยกทัพมาหมดนะถ้าพระเจ้าจะลุกแล้วนะมันมามทรมทลายขนาดนะั้นนะถ้าเป็นโยมเอ่ทประวัติย้ายหลายที่แล้วใช่ไหมเออตอนมีขันพระเจ้าทํายังไงอ่ะพระเจ้าเอาขันติมาช่วยขันติตอนนั้นก็เปรียบเป็นหมือนแม่ธรณีหมายแม่ธรณีนี่สัญญางองความหนักแน่นใช่ไหม คันติมาช่วยโอ้ยเราตั้งสัจจะแล้วต้องหนักแน่นต้องอยู่ให้ได้ตายเป็นตายขนาดนั้นอ่ะฉะนั้นอาตมาตัวนี้อาตมานึกถึงตัวเองตอนปฏิบัติใใหม่ตอนนั้นไปจิบปรมอยู่ไปเข้าข่ข่มันมากจริงนะเกิดกลมไปใดินกลมมาโอ้เดี๋ยวพ่อมาพ่อมาพ่อเราก็ตอนนั้นต น, นั้นเพ่อไปส่งที่โรงพยาบาลตา ม, มาพ่อก็ป่วยอยู่นไปกระทำมนะ่ เต็ใจมันรักทั้งนี้เพราะว่ายังไงเราท่านจะเป็นจะตายเราก็เราอย่างน้อยเราเข้าใจรูปน้ำเราตอนนั้นไม่สนใจใครแล้วเนีมันมาอย่างงี้เนี่ยเดินสุขุมอยู่โอ้ยพ่อนึกถึงพ่อมาบ่อยถ้าเกินพ่อป่วยอยู่เนี่ยก็ยกมือนะพ่อสาทุกพ่อจับพ่อนะพ่ออยู่ตรงนี้ก่อนนะพ่อจะมากวนนะให้ลูกปฏิบัติธรรมก่อนให้พ่อเอาพ่อไปนั่งไว้ที่ดีๆคือหาคุณสโรบายตัวเองนะพ่อ นั่งไว้เดินจะกลมเดี๋ยวแม่มาโอ้แม่สาธุแม่นั่งตรงนี้นะถ้าผูวมาบอกให้นั่งก่อนอย่าเพิ่งมากวนปฏิบัติธรรก่อนใช้กุศโลบายนะเดี๋ยวก็คนนั้นมาคนนี้มาทัเดี๋ยวก็คือใครมาแหละที่นี้ไอ้ที่มาบอ่อยสุดคือใครรู้ไหม <c oughs> <c oughs> แต่เป็นฮะแฟนอ่ามาไอา้มาบอ่อยสุดคือคู่มันตัวเองเนะีนะ่ยที่มันโอ้ย บอกว่าจะพึ่งมาตอนนั้นตอนนั้นยังแต่ตอนนั้นตอนนั้นยังไม่เดือกกันไ mm hmm. อ้คูมันนะยังไม่แคนเซิลัลยเราหนีเขาปฏิบัติธรรมหนีเขาเข้าไปาอาเฉยโอ้ยมาบ่อยเหลือเกินบอกให้นั่งก่อนตั้งตวาดทั้งด่ามันนะบางทีก็เอาเท้าเตะเอาสมบัติมานั่งเท้าเตะนี้ก็มีข้าง mm hmm. ต่อสู้มันนะให้มันเบาบางมันทำมันบ่อยเข้ามันก็หายมานันเองนะคนนั้นมาชี้น่าจะพึ่งมานะ ไม่ไม่สักกี่คนหรอกวันหนึ่งไม่ถึงไม่ถึงสิบคนหรอกเห็นไหมเราตะว่บ่อยๆมันก็ไม่มาแล้วเดี๋ยวก็เหลือวแต่ความรู้สึกเปเพียวๆเลยเดินเราก็ดูจิตของเราใช่ไ่าดูจิตของเราดูจิตของเราแต่มันดูไม่ไหวทีม่มันมาแรงอะ่ะเรต้องใช้อุบายเขาเรียกว่าโยนิสโสนมรสิการมาช่วยใช้อุบายมาช่วยเดินไปท่านพระพุทธเจ้าก็ใช้แม่ธวนีมาช่วยเช่นเดียวกันเจ้า <c oughs> อามาช่วยด้วยอย่างเช่นพวกที่เราเคยโกรธเคยเกลียดคนเคยเค ย, เคยทะเลาะกับเราศัตรูเราเนะี่ยมันมาเราจะทำไงเราจะเตะหนีไม่หนีนะยิ่งเตะหนีมันยิ่งมาทํำไงไหวมันเลยเโหสิกรรมให้มันสาธุนะเมตตามันนะอะไรที่เราเคยเป็นศัตรูต่อกันข อ, อโหสิกรรมให้นะบางอย่างมันแก่เหมือนกันนะอย่ามีพิษมีภัยต่อกันเลยชาตินี้ขออา เจ้าเจ้าหนี้เจ้าสินอะไรที่เคยเป็นหนี้เป็นสินเราฉันอโอสิให้เธอบุ่นแล้วเนี่ยต้องมาช่วยฉะนั้นมันหลายอย่างที่เราจะต้องทำเองเขาก็เอาให้เลิกลากันไปซะนะไม่เอาแล้วพันสองพันที่เธอติดหนี้ไม่ต้องมาให้กันแล้วไม่ต้องมาลบกวนกันถ้าเราไปติดหนี้คนอื่นติดหนี้คนอื่นขออโขออโหสิ อันนี้พระเจ้าถึงบอกว่าไม่ให้บวชไงคนไปติดหนี้คนอื่น uh huh. ถ้าเป็นหนี้พระเจ้าไม่ให้บวชนะจนไปเคลียร์ก่อนถ้าเจ้าหนี่มาตาม <c oughs> แต่อาตม า, มาอาตมาไม่เป็นเจ้าหนี่ไง <c oughs> เป็นหนี้แต่ไอ้เนี่ยเป็นหนี้แต่คู่มันนะั่นแหละ <c oughs> แล้วก็อาศัยแผ่เมตตาอาหสวกีรมก้มกราบแม่ธรณีนะ uh huh. สาธุขอให้มีอันเป็นไปอย่า <c oughs> ขอให้มีอันเป็นไปอย่าได้แต่งงานเลยชันนไม่บอกเลย มันก้มกาบแม่ตรงนี้ฝากแม่ตรงนี้ใช้อุบายตรงนี้มาช่วยนะก็สมดังปรารถนาอก็เป็นอก็เลิกกันโดยดีเนี่ยก้มกาบเลยนะมันมาบ่อยจนโอ้ยฐานชาตินี้มันทุกข์เหลือเกินมันไปซึ้งคําว่าพาลาฮเวปัญจากคันธาขันท่าห้าเป็นของหนักเนอขันท่ารูปเบตาต่างๆของเราโอ้มันหนักเดินไปเดินมามันคิดแต่ละครั้งมันทุกข์เหลือเกินมันจะคิดดีก็ทุกข์คิดชั่วก็ทุกข์มันทุกข์เหลือเกินคนคิดเนี่ย <c oughs> ถ้าเราออกไปอย่างงั้นแล้วเนี่ยไหยเอ๋ยจะต้องไม่ใช่คันสิบแล้วนะเนี่ยเขาเข้ามาเป็นสิบคันเน่ยพ่อแม่เขาเราเป็นยี่สิบคันเข้ามาแล้วพี่น้องเขาเป็นจะต้องรับผิดชอบไม่รูกี่คันว่าลูกเกิดมาเองไม่รู้กี่คันโอ้มันคิดไปแล้วมันเหนื่อยมันเบื่อหนายเลยโอ้มันจะต้องคิดว่ามันจะต้องไปไม่เป็นสัมาอาชีพแล้วเนี่ยเกิดมีครอบครัวก็ต้อง กัวเขาไม่พออยู่พอกินก็ต้องออันนี้อันนี้มาเล่าให้ฟังไม่ไม่ไม่ตอนนั้นมันไม่ใช่อดีตแล้วตอนนั้นคืออนาคตอตอนตอนนั้นเป็นอนาคตอ่อมาเพราะว่ายังไม่ได้แต่งไงใช่หมเล่าให้ฟังคือมันเขาเรียกว่ามันมันต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนน่ะอันนี้มาเล่าให้ฟังเออดีตมาเล่าให้ฟังนะเป็นตาหวานนะอืมมันต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนพอไปแต่งงานมันต้องดินร้นต้องประกอบอาชีพ อาชีพบางครั้งมันอาชีพสุจริตคงไม่พออยู่พอกินเนมันคนทุกวันเนี่ยประเทศไทยเรามันต้องพอพอคอร์รัปชันก็คอร์รัปชันพอโคตรพอโกงพอเบียดเบียนพอเบียดพอเบียดเบียนกันพอข้าพอแกงเขาทำเพื่ออะไรเพราะต้องอัพฐานะตัวเองขึ้นมาให้มันเหนือคนอื่นเห็นไหมถ้าไม่ถ้าทำมัวแต่สุจริตไปมากไปไม่พออยู่พอกินเดี๋ยวก็จะตาหน้าคนนั้นไม่บ้านข้างเขามีอันนั้นครอบครัวนั้นเขามี เพราะเธอเนี่โง่อยู่อย่างเงี้ยเนี่ยตายเลยมันคิดอย่างงั้นนะโอ้ยมันมันเบื่อมันเหนื่อยหน่ายใจตัวเองมันเหนื่อยมันแทบจะนั่งร้องไห้เลยนะมันโอ๊ยทํายังไงอาศัยแม่ธรณีช่วยอาสัยบุญบารมีช่วยเทียมักข้าพเจ้าเคยทํามรรมชาติต่างก่อนชาตินี้ขอให้มันเขาเรียกว่าอะไรขอมันจบจบชีวิตนี้ขอใมันจบมันตายที่เราไม่ต้องไม่ต้องมีคนอื่นมาเกิดเพวราะเรา อวอมวุ่นวายกรรมนี่ยฉะนั้นมันก็จนถึงปัจบันเนี้ยก็ได้ฉะนั้นมันหลายอย่างอุปสรรคเราไม่ใช่ว่าทางเดียวแต่ถ้าแต่ถ้ามีแล้วไม่ใช่ว่าถ้ามันอาตมาไว้ตัวทันกว่านไงถ้ามีแล้วก็ต้องรับผิดชอบถ้าไม่รับผิดชอบเรียกว่าเสียสัจจะไม่ได้ถ้าตอนยังไม่มีก็ไว้ตัวทัน <laughs> นีถ้า <c oughs> ถ้ามีแล้วเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดนั้นเองถึงนั้นนะถึงได้บวชนะถึงได้อยู่ได้ฉะนันวันนี้ก็อุปสรรคเรามีอะไรจะาถามบ้างรึเปล่าคุณมีคำหนึ่งที่เาเรียกว่าอือมสมาธิลูกฟักอ๋ออาตมาคงตอบไม่ได้เพราะยังไม่ถึงนะสมาธิผมเขาเรียกว่าผมลูกฟักอะ ม, ม, มันมันเหนือต้องถามผู้ที่เขาทำสมถะจริงจริง เนาะธรรมาเข้าเป็นเข้าได้เป็นแค่สมาธิขั้นต้นอาจจะเป็นคณิกาสมาธิชั่วคราวนั่งแล้วมันเข้าไปมันไม่มันรับรู้อยู่นะแต่มันมีความสุขมีสตินะไม่ใช่ไม่มีนะนั่งโอ้มีสติอยู่จะไม่จะลืมตาก็ยังเข้าสมาธิอยู่สมาธิธรรมะลืมตาก็เห็นแต่มันไม่คิดไม่ปรุงแต่งก็เหมือนกับสมาธิัญญะจะหลับตาแต่มันอยากจะอยู่อย่างนั้นตลอดไปมันมันอิ่มอะมันอยู่ได้ปิติอะเอ๊มันช่วงมันไม่อยากจะ ไม่อยากจะกินไม่อยากจะถ่ายไม่อยากจะนอนไม่อยากจะพูดไม่อยากจะเห็นอะไรเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าลึกกว่นั้นก็คงจะเป็นสมาธิตัวแข็งสมาธิตัวแข็งคือพวกที roses, ่ไม mm. ่ถอดจิตกับกายจะไม่อยู่ด้วยกันมันไม่สนกายกายจะเป็นจะตายพก็มีครั้งพุทธการก็มีพวกที่เข้าฌานแล้วสมาธิตัวแข็งแล้วเกิดเขาเอาไฟมาเผาก็ไม่เป็นไรพวกเนี้ยวถ้าถ้าเข้าสมาธิตัวนั้นน่ะ แม้จะถูกไฟเผาไม่เป็นไรอันนั้นอันนั้นก็มีข้อพิรุกรันเราจะพึ่งไปถึงขนาดนั้นเลยนะ <c oughs> ตอนนี้เราพูดถึงวิปัสนาสมถะเรา อ, อ, อีกคำนึงที่อ น, นีเขาพูดเป็นพวที่ใช้คาว่าดหนอหนอมันไม่หายหรอกเป็นการพูดลึกถึงมันเฉยนะปวดหนอปวดหนอคะ มันอนกมาเขาทำเยอะเหมือนกันปวดน้อยนะทำเยอะเหมือนกันนอนเนี่ยมันปวดตรงนั้นให้กําหนดรู้ตัวนั้นเฉยนะไม่เปลี่ยนนะก็เหมือนกับพุทโทสมาหลังนั่นแหละปวดนอปวดนอให้กําหนดรู้ที่มันปวดให้รู้ว่าปวดปวดปวดเป็นแค่ว่าโอ้ปวดปวดแล้วนาะปวดแล้วนาะมันหายไหมก็ปวดแล้วนาะมันมันไม่หายหรอกแต่กําหนดไปกําหนดไปให้ทนเฉยให้รู้ว่าปวดทนทนเอาเอา เหมือนกับจับเหมือนกับเราจับความรู้สึกตัวแต่ว่าเอาความรู้สึกตัวที่เราแทนที่จะยกมือสร้างจังหวะรู้สึกตัวเฉยๆเนี่ยให้ไปรู้สึกที่เวทนาจุดใดที่มันเกิดขึ้นให้รู้จุดนั้นชัดเจนนั่นเองก็กลายเป็นการทรมานไปเองขึ้นอยู่อันนั้นไปคิดเอาให้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดะบายให้เกิดขึ้นตั้งอยู่ระบไปตรงนี้ก็หมายถึงให้เห็นความคิดตัวนี้เกิดดับตัวนี้ท่านเอาไปใช้กับตัวนั้นี่เฉยใช้ผิด ถ้าจริงแล้วให้เห็นเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปก็เห็นความคิดมันเกิดตอนนี้เราคิดอยแล้วรู้รู้แล้วมันดับให้รู้จากความคิดเกิดดับพอพุทธศาสนานี่ยไปเห็นไอ้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่เที่ยงอันนั้นไปคิดเอานะเกิดขึ้นแล้วนะเดี๋ยวมันตั้งอยู่แล้วตอนนี้มันตั้งอยู่เกิดมันตั้งไหมมันยิ่งเกิดขึ้นปวดขึ้นปวดขึ้นปวดขึ้นจนถึงที่สุดแล้วมันควรจะดับมันเองกว่าจะดับแล้วก็โอ้เรามาพูดเราฟัง ยางตายออกอนะเงื่อไหลภาคหน้าบิดหน้าเบี้ยวนะบางครั้งนะนั่งไปมันปวดมากนั่งเนี่ยปวดเขาไม่ขยับอ่ะนะนั่งปวดอยู่นั่นนะนี่ยจนบางครั้งจิตไม่มีสติฉะนั้นอาตมาถึงบอว่ า, ว, าวิธีการหนอเนะี่ยกับตัวเนี้ยอันไหนเป็นสมถะพิพิสนาอาตมาถึงเฉพาะจากจคอนเฟิร์มเลยว่าไอ้หนอนเป็นสมถะเพราะอะไร เพราะอาการหรือสภาวะที่เขาได้ทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่สมะสภาวะของศาสนาไม่ได้เห็นความคิดนะเข้าไปในความคิดบางองค์หนูนั่งไปเห็นผียกขบวนมาเลยอย่างเงี้ยบางองค์เพื่อนมาหลายองค์ที่ทําด้วยกันเนี่ยมีอาการเป็นเป็นบ้าโอ้ยลืมสติลุกขึ้นสันอย่างเงี้ยอสันลุกขึ้นลุกขึ้นสันบางองค์ก็ขึ้นมาฟ้อนก็มีเหป็นเข้าทรง บางองค์ล้องอุกคางมันจะตายอันนั้นมีสติไ้ยไม่มีแต่มาไปทำวิธีการนีนะ้ไปไม่รู้ว่ากี่งานแล้วไม่เคยมีใครเป็นอาการอย่างนั้นสักคนหนึ่งมีแต่โอ้ยเบาวิยมีแต่มีแต่สติกับสัปชัญญาอันนั้นหลงแล้วเนะ่ะเข้าสู่สมถะนะ โอเคนอะตธรรมก็ไม่สามารถรู้ได้มากกว่านั้นหรอกไม่ทําสองไปถามผู้ที่เขาทำจริงๆจริงๆต่งนั้นแต่มามั่นใจทางนี้ธรรมาก็ทําทางนี้แค่นั้นเองนะว่ามันเป็นทางที่ทําให้เราไม่ทุกหรือทุกน้อยสําหรับธรรมายังใช้คำว่าไม่ทุกไม่ได้เพราะยังทุกอยู่อาศัยคำว่าทุกน้อยก็แล้วกันนะ <c oughs> เขไปทําได้ไม่เป็นไรทําได้ทดําสิ่งนั้นทําแล้วไปเปรียบเทียบมันดูแต่ถ้าทำอย่างนี้แล้วไม่อยากจะทําบบั้นอาจมา ถ, ถึงบอกกับวิทยวศาสตราจารย์อาจารมาถูกใบแดงหรือถูกใบเหลืองเกือบไปผ่านมาทำมาทุ่ดเพราะอะไรเพราะไปเคยพูดเขาไว้ทําอย่างเงี้ยอาจารยมาบอกว่าทําให้เขียนเสนอได้ไหมเสนอไปอาจมาเสนอว่าทํายุบหนอพองนอนเดือนหนึ่งไม่เท่าทํายกมือสร้างเจ้าว่าสิบวันเสร็จเลย ถูกเขาอันนี้เลยคือถูกพาาี่ปรัชนาจันยร์เขาแต่คุยผู้สอนกรรมการเขาจะไม่ผ่านคือเขาต้องสิ่งนั้นเขาคือมันเป็นเขาออาเข้าไปสู่หลักสูตรของการศึกษาของประเทศไทยต้องทำอย่างนั้นพระที่ปฏิบัติธรรมอย่างเนี้ยตำแหน่งยอดทาตำแหน่งไม่ขึ้นนะใครถ้าพียปรัฒนาทางยุบหนอพองหนอคนนั้น ไม่นางเขาได้เจ้าคุณอย่างนั้นหองพ่อเราได้เจ้าคุณไม่นานแล้วต้องเนคือตอนนั้นเขาอยู่ในฟอร์มของสายการปกครองมาธายกหนอฟองนอเยอะเขาเอาตัวนั้นเป็นเป็นต้นแบบเป็นมาเตอร์ของประเทศไทยในการปฏิบัติธรรมเลยนะมันถังสายวิตเขาแยกกันเลยนะแยกด้วยอีโก้นะแยก ถ้าเป็นธรรมยุทธ์เนี่ยเขาจะไม่เอาเลยเสียงตรงเนี้ยปฏิฆะกันเลยอ่ะยุบดรอพ่อหนอคือเขาคิดว่าเป็นของสมัยทีกายไปเลยธรรมยุทธ์ต้องเป็นพุตโทรจะไม่เข้ากันฉะนั้นมันจะเป็นทั้งคณะสงฆ์ด้วยเนยถึงจะถูกก็ตามฉันจะไม่เอาตามใช่ไหมมันไม่ใช่สายฉันฉันฉันพุตโทรฉันต้องฉันธรรมยุทธ์ต้องต้องเป็นสายนี้นี่ก็มี นีแต่ว่ามหาดิกายก็ไม่จํากัดอ่ะพุทธโถก็เอา <c oughs> จุาดนอกก็เอามหาดิกายไม่สนใจยกมือก็เอาแต่ทำยึดเขาจะไม่เอาเลย<ม>เขาจะไม่เอาเขาจะไม่ยอมยกมือเด็ดขาดแต่ถ้าทำายุดเป็นพระสังฆราชเขาเข า, ข า, ขาสายพระราชาสายวังถ้าสายวังแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเขาแต่งตั้งใหม่ๆขณะสมเด็จยังอายุหนุหนๆู่นะ ท้ามหาดิกายนี้จะได้สมเด็จก็จะไปไม่ไหวแล้วนะต้องเขาเรียกว่าอายุแปดสิบอัปแล้วถึงจะได้ถึงจะได้คันพระธรรมหรือพระระดับนั้นระดับขั้สมเด็จแต่การธรรมายุทธก็จะปูเข้าไว้เรียกว่าเอาหนุหน่มๆไว้ก่อนดังนั้นสังฆราชทํามหาดิกายไปองค์หนึ่งไม่ถึงสิบปีก็ตายนะธรรมายุทธเอธรรมายุทธ์เขาได้อย่างน้อยก็สามองค์สี่องค์ต่อกัน ก็ถึงจะให้โควตาไดหนึ exist, okay. right? ่งฉันก็ไม่ว่ากเขาหรอกนะก็ใครทําเองเขาทุกเองนะเรื่องของเส้นสายเราไม่พูดถึงเราพูดถึงการยกมือพูดถึงตัวเราก็พอแล้วะฉันเองนถ้าไปพูดเรื่องนั้นเรื่องนั้นมันไม่จบง่ายแล้วมันเป็นเรื่องของการเมืองการเมืองไปสายวังอย่าเนี้เป็นสายวังสายวังสายในสายธรรมยุทธ์ ท่านไม่ไปจจพิะจารณาขาวบริหารจโยมไปถึงนู่นแล้วนีโยมทิวันนะเอาล่ะอยู่หรือรัฐเวกัสยังไงมันไม่จบเถอะนะขวมัน น, นะ <c oughs> นมีอะไรถามอีกไหมโยมทพประวันเป็นคนมีปัญหาเยอะโยมทีวันนะ <c oughs> ยังไม่ามาก็าวันนี้ไล่จับหนูอยู <c oughs> ่ืวันนี้ไล <c oughs> ่จับหนูใช่ค <c oughs> ือมันเป็น ภูริจ้าก็บอกว่าคนบางกลุ่มบางเชียงพวกนี้ไม่สามารถจะอธิบายได้ด้วยธรรมะต้องเข้าใจได้ด้วยอุปมาอุปมาแล้วอุปมาอีกโดยเฉพาะโอมาเขาหลวงพ่อเทียนนี่อุปมาที่ท่านอุปมาแบบชาวบ้านใช่ไหมถ้าเป็นชาวประมงเขามาปฏิบัติธรรมถ้าเป็นพระที่มาจากเป็นชาวประมงก็จะเอาเรื่องของการจับปลามาอุปมาใช่ไหม ถ้าเป็นอ่นักถ้าเป็นนักบินมาบวชอย่างเงี้ยก็เ<ม>อาจะเอาพูดถึงการโอ้อยู่เหนือเมฆนะสังคมโลกก็เหมือนเมฆอยู่ใต้พื้นโค่นโลกอย่างนั้นมามาอุปมาแต่หลวงพ่เถียนท่านเป็นชาวบ้านไม่รู้จะเอาอย่างไงก็อเอาเรื่อง<ม>เห็นชัดเจนข น, นูกับแมวแล้วเราก็ชัดเจนเลยนะพูดมาเราก็รู้ทุกคนเจ่ะไหมหนูคือความคิด หนูเนี่ยคือความคิดที่มันไปมันมามันมวิ่งตลอดเพ่นผ่านตลอดเวลาไอสติเราตัวแรกมันเรายังไม่มีพอเราทําไปทํามาแล้วเรายังไม่รู้หรอกพอเราทําได้สติตัวหนึ่งปั๊บเห็นความคิดปั๊บเราจะรู้โอ้ก็ตัวนี้เองหนูกับแมวจะอ้ อ, อนทีเลยแล้วก็นอกจากนั้นจะรู้มากไปกว่านั้นก็คือตำรวจทีนเขาบอกว่าหน้าที่ของแมวมันจับหนูอยู่แล้วแต่ว่าแมวมันตัวเล็กสติมันน้อย เราอะเหมือนแมวตัวเล็กไปคิดว่าโอ้เดากลายเป็นปูงแต่งกัมันไปหมดอะกลายเป็นยิ่งปฏิบัติไปมากยิ่งคิดเรื่องเดียวนะยาว เ, เป็นแต่งนังเป็นเรื่องเลยนะคิดไม่คิดมากเรื่องคิดเรื่องเดียวแต่มันจะคิดเป็นเรื่องเลยเหมือนกับหนูลากไปฉะนั้นหน้าที่ของท่านบอกว่ามันคิดก็ช่างมันให้เรากำหนดความรู้สึกตัวให้มากก็เหมือนกับให้อาหารแมวให้อาหารแมวให้อาหารแมวให้อาหารแมว ให้ hey, มากเข้ามากเข้ามากเข้าแมวมันตัวใหญ่ขึ้นดีขึ้นพอหนูมามาันตะปบข้างเดียวอยู่เลยความเหมือนกันสติแล้วมากคุณคิดมากมาแล้วเหรอเห็นว่าคิดแล้วนะ่ยหยุดนะท่านรู้มากไปท่านรู้มากไปกว่านั้นอีกไม่รู้ว่านักวิทยาศาสตร์รู้หรือเปล่านะแมวตะปบหนูเนะี่ยมันจะพิสดารกว่าเราฆนะ่าหนูนะคนไปฆ่าหนูไปจับหนูเนะี่ยไปยิงหนูฟันหนูเนะ่ะฟันปุ๊บเลียดกระจายเลย แต่แมวจับหนูปั๊บเนี่ยพอจับปึ๊บหนูเลือดจะไม่วิ่งนะมันจะช็อกตายแล้วสังเกตดูแมวกินหนูเนี่ยมันจะกินเนี่ยเลือดจะไม่ไหลออกมามันจะเนื้อเลือดจะเข้าไปผสมกับเนื้อหมดแตมาสังเกตดูอันนี้เนี่ยสังเกตด้วยตัวเองไม่ใช่สังเกตตอนที่เปลราทํามาก่อน่ะมันเริ่มฉุกคิดตอนที่เป็น คล้าวาดัดแมวมีแมวตัวหนึ่งแมวตัวมามันจะแล้วมันจับหนูมาไว้ให้คนกินแต่ว่าหนูแต่ละตัวที่มันกินเนื้อหัวจะไม่ไม่มีมันจะกินหัวหมดแล้วจะมีมันจะฆ่าบมาไว้ไม่มีเลือดหยดไม่แต่หยดเดีย ว, ยวทุกครั้งเลือดแล้วเราเอาสังเกต ด, ดูเอาเวลาให้ให้เด็กเอาหนูไปทํากินซิกินได้หนูเอาหนูหนูป่านะไมเห็นหนูบ้านมันจะ เอาหนูเอานูไปถอนขนไปถลกหนังไปกันไม่มีเลือดไหลออกมาเลยนะเลือดจะอยู่กับเนื้อหมดเลยแมวก็ไม่ติดเลือดนะมันจะติดอยู่ตลอดมันก็กินแค่ติดๆนิ ด, ด, ด, ดหน่อยมันก็เลียแต่มันจะไม่กระฉุดไง เ, เลือดจะช็อกอะออพอมันช็อกมันจะหดเข้าไปเราเมื่เทียนได้พูดถึงขนาด น, นั้นน่ะหนูจับแมวหนูกินแมวกินหนูไม่มีเลือดหนูมัน็อแ มันช็อกแล้วมันยังไงมันเลือดไม่เดินะ ม, มันกับเส้นเลือดทุกอันมันแตกมันมันมันไม่ไหลออกมาตามเส้นเลือดใหญ่อ่ะน อ, เ, อ เ, น เ, เป็นทั้งหมดเลยเป็นทั้งหมดที่ทําถ้ามันเจอแมอตวตะพบ น, นะนนนเป็ น, น, นมีแต่หนูใหญ่นันที่ตะมาพูดถึงไม่พูดถึงหนูเล็กหนูเล็กไม่รู้นะเราะแมวตะมาไม่เคยจับหนูเล็กให้ เพื่อนจับหนูพุกนะ่ะรู้จักหนูพุกด้วยนะห <c oughs> นกพุกจะตัวใหญ่ ล, ลไืไ ม, ไไม่ไม่ไหลออกมาเพราะถ้ามันกัดคอมันกินมันกัดคอเลือดก็ตรงนี้อยู่เต็มมันมันฆ่าไก่ฆ่าไก่บัวไม่ไม่มีมันกัดแล้วมันกดัดหมดเลยนะก็ลองสังเกตลองสังเกตดูนะ ชอบหัวใจมันก็คงตอปไม่รู้มันก็เลยไม่ปั๊มเลือดอันนั้นก็เอามอเอาหมอไปเคาะอีกทีนงก็แล้วกันแต่ถ้าเราจับสนใจนะควิจัยเดี๋ยวได้รางวัลโนเบลเดี๋ยวปกัดปกัดแต่ถ้าแต่ถ้ามันได้จากนี้คอยกัดคอยกัดหนูแบบไม่ถ้าเราเกิดจะเราจับนี้ไม่เป็นนะถ้าเราจับมาจับแล้วมาฟันเยเลือดกระจายเลยแหละมันจะเฉพาะเหมือนกับสัตว เหมือนกับเก้ง เ, บบ เ, เหมือนกับเก้งกวางที่เจอเสือแต่ปุ๊บอ่ะอาจจะเป็นชางนองเดียวกันไม่แน่ใจอันนั้นไม่อนนัันนน้ไม่แน่นอนช อ, กกอเอออมันจะอาจจะช็อกฉะนั้นสัตว์ที่ได้ยินเสียงพวกวัวพวกเก้งกวางเวลาเสือมาใกล้ๆเลือดราสีมาใกล้บ้านเรานะ่ะมันร้องกุ้งเดียวนะเดินไม่เป็นเลยนะขาอ่อนเหมือนกับคนน่ะ มันแพร่ทางมันกันเราเดินไปเดินไปเจอเสียเท่าหน้านะมันจะทำอะไรมันจะวิ่งได้ไหม ม, มาว่าช็อกเลยนะต่จับขาตัวเองวิ่งดหมน่ย